เรี่องนี้ผมฟ้าอากัศจะต่ออย่างเรื่อยๆรณีรูึกเรื่องเรื่อ ง, oh. องไหนนี้ก็ไม่เป็นปรเนนะเป็นเรื่องธรรมดาแสง้ oh. ากับถ่ายทอดดอาจจะรู้สึกว่ามันมืดเกิน oh. ภาพไ ม, ไม่สำคัญเท่าปกติหากภาพเดิม ด, ดูแล้วก็ไม่ได้เกิด อะไรมากนะไม่เหมือนกับเสียงเสียสงธรรมทางธรรมเรได้คุณค่าได้ประโยชน์มากกว่าการเห็นภาพดังนั้นเวลาถ่ายทอดส่ดวนเราภาพอาจจะมืดคลื่งไปหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เสียงชัดเจนดังได้เพราะทำมันอยู่ที่เสียงไม่ได้อยู่ที่ภาพที่เรามองแต่ขั้นบนนี้เราไม่มีไฟฟ้า อะไรไม่ได้ติดไฟปล่อยให้เป็นไปแบบธรรมชาติสมัยก่อนเจ้าก็ไม่มีไฟฟ้ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรมีไฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้าก็ไม่เป็นเหตุที่จะมาทําให้ไม่ตัดสินใจหรืตัดสินใไม่มีกำตบดีกว่าเพราะสมัยนี้ไฟฟ้ามักจะไปเป็น พวกของกิเลสตัหาพวกที่คอยพาให้เราไปเกิดแดก่เก็ดตายันไม่มีกบดีกว่าเพราะว่าความอยากมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้แต่ถ้ามีไฟไฟ้ามีเดี๋ยวมันอยากดูอยากฟังอะไรมันกะ็หาเครื่องดูมาดูหาเครื่องฟังมาฟังกัน แทนที่จะมานั่งทางใจให้สงบก็เลยไปนั่งดูไปนั่งฟังอะไรกันเช่นว่าป่าท่านเหงนิยมไม่ไม่ใช่ไฟฟ้ากอเห็นว่าไฟฟ้านี่มันเป็นเป็นตัวที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางการเจเนินทางธรรม การเจริญทางโลกรับกับรจะดสวนทางากับการเจริญทางธรรมถ้าเจริญทางโลกรับรับรัจะเสริมทางธรรมนะพอการเจริญทางโลกก็เจริญทางความโลภโกรธหลืออนนะไรเจริญด้วยความอยากต่างๆการวัฏสงหาภาวะสงหายึดความวัฏหาก็าเลยจะทําให้ เสืทางศีลธรรมกันก็เมื่อมีความอยากก็อยากจะได้สิ่งที่อยากแล้วเมื่อต้องทำบาปก็จะทำกันจะไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมกันยังความเจริญทางโลกนี้มันเป็นความเจริญเป็นความเสื่อมทางธรรมโดยที่เราไม่รู้สึกตัววัดปานของครูบาอาจารย์นั่นยังไม่มีไฟครฟัง สมัยลวงปู่มั่นไม่มีไครค้าสมัยลูกศิษย์หลวงปู่มัน่หนหลวงตานลวงปู่อะไรต่างท่านก็ไม่มีใครฟ้าจะมีก็มาตอนตอนที่หลังพอมีญาติโยมมีศรัทธาเข้าม า, มากปนน้องไครฟ้าก็เข้ามาก็ต้องคอยควบคุมให้ใช้ในสิ่งที่จําเป็น สิ่ี่ไม่จำเป็นทางก็ห้ามใช้เป็นทห้ามไม่ไ ม, มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์เพรางเานี้มันจะทาให้ไปในทางดิเลตปัญหาไปในทางในทางไม่สงบไม่ได้นาไปสู่ความสงบความสงบไม่ต้องเปิดตาหูจมูกืนกาย ไมว่าเอ็นซีสังวรสัหมวนตาหูดุมิ่งกายเพราะตาหูดุมิ่งกายนี่มันจะทำให้เกิดตัณหาความอยากเกิดการาฉันทะเกิดการะตัณหาอยากดูอยากฟังแล้วก็จะทำให้ใจไม่สงบจากการดูการฟัง เป็นต้องปิดตาหจะบอกเม้นกายเพื่อที่จะทําใจให้สงบอันนี้ไม่ได้ปิดเท้าวอนะปิดช่วงที่เราปฏิบัติช่วงที่ําเพ็ญเพื่อที่จะสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจให้ทําลายปิเลตปัญหาต่างๆให้หมดไปความหมดแล้วก็เปิดหูเปิดตาได้เราไปไหนก็ได้จะไปดูจะไปฟังอะไรก็ได้ แต่มันจะดูจะฟังด้วยใจที่ไม่มีกิเลตัหาถ้าไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจถ้าดูแลฟังด้วยกิเลตัณหามันก็วุว่นวายใจกันไม่สบายใจกันอย่างที่อาติโยนเป็นอยู่ที่วันนี้ก็ไม่สบายใจกับโูกเสียงกล่นท น, นี้หละเห็นรูปที่ไม่ถูกใจก็ไม่สบายใจ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 ยิ่ง่วนสำรวมเอ็นซตาหูจมูกนิ้่กายสมัยนี้ก็ต้องปิดมือถือปิดมือถืออย่าไปเปิดดูรับข่าวสารติดต่อกับคนะคนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นการส่งใจให้ออกไปทาตาทางหูแล้วก็จะทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมา นังสมาธิก็นางไม่ได้เพราะไม่ยอมอยู่กับพุโทโธไม่ยอมอยู่กับลมหายใจจะงมัวไปคิดเห็นถึงลูกถึงเสียงที่อยากจะได้ยินอยากจะได้ดูใจก็เลยไม่ก้าวหน้าในทางปฏิบัติก็เลยต้อ ง, ลลงน้ำรั้วตาผูกใจลมยิงกายน้ลำรู้วลูกเสียงเก็บ่ง ถ้าไปปฏิบัติจริงๆอยากจะให้ได้ผลจริงๆได้ประโยชน์จริงๆก็ต้องใจแข็งต้องเปิดมือเถือต้องไม่รับรู้ข่าวสารทางโลกไปอยู่คนเดียวในป่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตางลำพังนั่นแหละใจถึงจะเข้าข้างหนได้แล้วพอเข้าข้างหนก็จะเห็นธารม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 มันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนในขณะนี้ก็มีแต่พวกเรามองไม่เห็นกันเวลาทุกก็ไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรเวลาทุกดับไปก็ไม่รู้ว่ามันดับไปเพราะอะไรอันนี้แล้วเราก็เลยไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความทุกข์ได้เพราะเวลาเราทุกข์เราก็ไปแก้ที่อื่ไม่ได้ไปแก้ที่เหตุของความทุกข์ เ้วก็ไปหาลูกเสียงเกียรมาดับความทุกข์กันเวลาไม่สบายใจก็ต้องหาอะไรมาดูมาฟังเพื่อทำให้มันสบายใจแต่แทนที่สบายใจบางทีกับวุ่นวายใจมากขึ้นไปสิจากการดูจากการฟังบางคนนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ก็เลยคิดว่าต้อง กลับจับร่างกายนี้เลยค่าร่างกายนี้เลยมันจะได้ไม่มารับรู้เรื่องราวต่างเพราะพอพ อ, พอมารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ทําให้กับความทุกข์ทรมาใจเช่นคนที่สูญเสียสิ่งที่รับไปก็จะคิดอยู่ถึงกับสิ่งที่เสียไปอยากจะได้คืนมาพอไม่ได้คืนมาก็ทุกข์ใจทรมานใจ ก็อยากจะหนีจากเรื่องราวที่เป็นอยู่ก็ที่ว่าถ้าท่าร่างกายนะั่นมันก็จะดับทุกได้แต่มันก็ไม่ดับเพราะทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่จะร่างกายทุกข์มันอยู่ในใจเกิดจากความอยากอยากให้สิ่งต่างๆที่หายไปเสียไปนั้นกลับคืนมาคนที่เสียคนรักก็อยากจะได้คนมักกลับขึ้นมา คนที่เสียสิ่งที่รักก็อยากจะได้สิ่งที่รักกลับคืนมาพอไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทาไําไมอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็ฆ่าตัวตายดีกวา่าฆ่าร่างกายก็ยังไม่ร่างกายไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เราวุ่นวายใจกันทําให้เราทุกข์ทรมานใจกันตัวที่ทําให้เราทุกข์ทรมานใจคือ ความอยากได้สิ่งต่างๆกลับคืนมาเราต้องฆ่าตัวนี้ถ้าเราจะถ้าเราต้องการจําจับความทุกข์เราต้องมาฆ่าตัวความอยากไหมอยากให้ของที่เรารักกลับคืนมาอยากให้แฟเที่เราเสียไปคนที่เรารักเสียไปลูกลูกก็ได้แฟนก็ได้อะไรที่เรารักแล้วจากออกไปอยากจะให้คืนมาวันนี้ไม่มีวันจะคืนมาแล้ว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 ทำไครั้งนั้นเราอยู่ได้ครงนี้ทําไมเราอยู่ไม่ได้อันนี้เรียกว่าวิธีกําจัดความทุกข์กำจัดด้วยปัญญาให้เห็นว่าเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ที่เราทุกข์ก็เพราะเราอยากให้สิ่งที่เรามีอยู่นี่ที่เสียไปนี่กลับมาใเราใหม่การไม่กลับแล้วของบางอย่างมันไปแล้วไปเลยเป็นคนตายตายไปแล้วตายไปเลยไม่มีวันจะกลับขึ้น ไปอยให้กลับกลับมาได้จะทุกไปต่อไปนี่เคยต้องท่าตัวนี้ฆ่าเวทปัญญาที่เห็นว่าทุกอย่างไม่เทียมเจ้ามีวันพัดพา ก, กันเป็นธรรมดามันตาก็ปล่อยมังไปเรายังอยู่เราก็หาใหม่ได้หาไม่ได้ก็อยู่กํา แ, แบบไม่มีก็นะคนที่เขาไม่มีอะไรเขาก็อยู่มันได้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรพระหลังกสาวกท่านก็ไม่มี แต่ก็ไม่มีลูกก็ไม่มีรักสมดัยเอาก็ไม่มีมีท่านผ่ตัดไปหดแนละ้วเพ่งไปหมดแนละ้วไม่สนใจท่านก็เลยอยู่อย่างสบายเพราะท่านไม่มีความอยากที่จะมีอะไรไรือยากจะให้สิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่กลับมาพระพุทธเจ้าไม่เคยอยากจะกลับไปเป็นอพระราชกากรนั่นเคยอยู่ในวังมีปราศาทสามฤดู เพราะท่านหล่อ b u d d ท่านก็ไม่เคยคิดอยากจะกลับไปหาประสาทสามเดือดไม่เคยคิดอยากจะไปหาสิ่งจากรที่ท่านเคยมีเพราะไม่มีความอยากก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่มีความอยากได้สมบัติชืนมาเวลาเสียสมบัติไปโอ้อยากจะได้คืนมาทรมาณจิตทรมานใจเหล้วเกินอยากยังไงก็ไม่ได้เกิดมาก็ไม่อยากจะอยู่ ไปอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะหนีจากสภาพอันนี้แต่สภาพยากจนสภาพที่สูงเสียสิ่ ง, งต่างๆสิ้นเนื้อประดาตัวนี้ไม่ได้เป็ น, ส, กกนสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กันสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กันคือความอยากไม่ให้เป็นอยู่ในแบบนี้ไม่อยากจะอยู่แบบสิ้นเนื้อประดาตัวอยากจะได้สมบัติต่างๆเคยมาอยากจะได้สิ่งแตกต่างเคยมา พอไม่ได้ก็เลยไม่อยากจอยู่อยากจะข้าตัวตายฆ่าร่างกายก็ยังทุกอยู่เหมือนเดิมมันก็ยังไม่ได้ระับขึ้นนมามนใจอยากได้สิ่งตางๆกระับขึ้นมามันก็ทําให้ใจต้องกลับมาเกิดใหม่มาเงิ่มต้นใหม่มาหาสิ่งต่างมหาทรัพย์สมบัติมาหาเจ้าของเงินทองม า, าอะไกันจ้ นี่คือปัญหาความวกเราวความทุกข right ์ของพวกเราอยู่ที่ความอยากของเรานี่คือทำเช่นทดลองมาปฏิบัติเพื่อมามาค้นหากันมันอยู่ในใจเราความทุกข์ไม่ก็เป็นธรรมเนี่ยความจริงเนี่ยต้นเหตุของความทุกข์ก็เป็นความจริงอีกย่างการดับของความทุกข์ก็เป็นความจริงอีกอย่าง วิธีดับความทุกข์ก็เป็นความจริงอย่าเงี้ยที่เราไม่รู้กันเวลาเกิดความทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเราเไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์กันเวลาทุกข์ใจก็ถ้าเสียอะไรไปก็ไปหาอันใหม่มาแทนเสียแฟนเสียแฟนเก่าไปก็ไปหาแฟนใหม่มาทดแทนเดี๋ยวได้มาไม่นานอย่าก็ตเสียไป เพทุกอย่างมันไม่ถาวรทุกอย่างมันชั่วคราได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปใหม่อยากจะได้อะไรกลับคืงมาถ้าหาได้กับคืงมาก็ อ, อยู่กับเราไปสักระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวก็ต้องจากกันอีกเพราะในที่สุดร่างกายนี้มันก็ต้องตายพอร่างกายตายของทุกอย่างที่เราหามามันก็จะหมดไป เราก็จะทุกข์เองเพรเรายังอยากจะได้สิ่งต่างๆกลับคืนไม้เราก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่กลับว่าทุกข์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาหาสิ่งต่างๆไว้หาได้เท่าไหร่มันก็เดี๋ยวก็ต้องจากกันไปเห็นท่านไมอยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากอยากไปอยากมี แต่ก็อยากให้สิ่งที่มีแล้วสูงไปกลับมามันไปแค่มันไปเลยมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดหมดเห็นทางริ่ามันไม่เทียเท่ยงมันไม่ได้เป็นของเราเราก็ปล่อยวางเนี่ยมีก็ไม่ยึดไม่ติดไปก็ไม่เสียใจจากไปก็ไม่ได้อยากให้กลับมาอยากจะไปก็ไป ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้เวลาไม่มีความอยากแล้วมันอยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรก็อยู่ได้มีความสุขมากกว่ามีอะไรต่างๆเรามีอะไรต่างๆก็จะยึดจะติดแล้วก็เวลาจากไปก็จะเสียใจถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่อยากมีอะไร ถามีมันก็เป็นธาตะต้องคอยดูแลรักษาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปก็ อ, อยู่แบบไม่มีมีฝ า, าไม่มีได้ก็ต้องอยู่แบบไม่มีความอยากต้องหยุดความอยากเลิกความอยากต่างวิธีจะเลิกความอยากได้ก็ต้องปิดตาหูจรวกเล้ยงกา เพราการเปิดตามหูจมูกเนื้อง่ายก็เป็นการเปิดความเปวดให้ความอยากออกมาเพ่นพ่านนั้นนีงความอยากก็เป็นคนให้วัวควา ย, ยถ้าเราไม่มีครอบล้อมมันไว้เน๋ยวมันก็ออกไปเที่ยวเพ่นพ่านตา่างที่ตา่างๆแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นวัวควายเขาถึงต้องล้อมคอบมอนไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับผู้น้าเจ้าของที่ต้องไปรับผิดชอบ เปรียต่างหาก็เป็นหัวหน้าควายของพวกเราเราต้องล้อมครอบมันต้องปิดตาหูจมูกนิ่งกายเอย่าให้มันไปดูไปฟังไปลิ้มรสนมเกลียงไปสัมผัสกับอะไรพร ม, มันตายแล้วเดี๋ยวมันก็ทําให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากก็ทําให้เราต้องไปลิ้มลิ้นหามัน เราก็ต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นอนนี้ไปแก่งแยกงชิงกันแล้วก็อาจจะไปทํำบาป ท, ทำกรรมกันกลายเป็นเรื่องราววุ่นวายขึ้นมาให้เราต้องเปิดตาหูจมูมกมือกาเราจะได้ไม้ไปแยกรูปเสียงเกลียดกันพอมันอยู่ข้างในแล้วเราก็จะได้มีเอาเชือกมาผูกมันได้ ล้อมคอบมันไว้ก่อนพอล้อมแล้วขั้นต่อไปก็ไปเอาเชือกมัดตัวมันไว้มัดไว้กับเสามันจะได้ไม่ดิ้นเมื่อมันไม่ดิ้นนะมัดตัวไว้กับเสาได้แล้วขั้นต่อไปก็เอามีดมาฟันหัวมันเลยฆ่ามันเลยตรงมี้เนตัวอันตรายกับจิตใจถ้าเปรียดร่างเปลียดกับร่างกายก็เป็นเหมือนเชื่อโรค ถ้า ม, มีเชื้อโรคนี้เราก็ต้องทำลายมันโรคภัยไายเจ็บถึงจะหายไปถ้ายังมีเชื้อโรคอยู่เดี๋ยวมันก็ทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบังชนิดยังไม่มียาที่ฆ่าได้แต่มียาที่ที่ที่กดมันไว้ได้ก็ต้องใช้ยากดไปเรื่อยเรื่อยเช่นโรคเอชสมัยนี้ยังนี้ก็มียา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 จับมาตัวควายให้มันอยู่กับหลักไม่ให้มันวิ่งได้อันนี้ก็เป็นการหยุดมันชั่วคราวถ้าเชื่อขาดเมื่อไหร่มันก็เล่นได้มันก็จะแหก้อไปได้แหก้อออกไปหนีไปเที่ยวได้แต่ถ้าจะทำลายมันอย่างถาวนอนหลังจากที่มัดมันไว้แล้วก็ต้องออานี้มาเ่า มีที่จะมาฆ่ากิเลสตัณหาก็คือปัญญาส่วนเชื่อที่จะมาเอามากิเลสตัณหาก็คือสติมีสติมันก็จะสามารถรัานับความโลภความโกรธความอยากได้แต่ไม่ไม่ทมําลายไม่กําจัดมันได้เพียงแต่กดมันไว้พอกดมันไว้แล้วถ้าอยากจะให้มันตายก็จะเอาปัญญาม า, มาฟังมาฆ่ามัน เพราะว่าปัญญาจะไปข่าตัวเหตุที่ทำให้มันเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาตัวที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาก็คือตัวความหลงหลงคือไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงเก็บรัปัญญาก็จะมารลอนใจว่าความสุขอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบ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 อยากไปโน่นอยากมานี่ไปก็ได้ะลรไปก็ไม่ได้เลยกลับมาก็เหมือนเดิมไปแล้วก็อยากจะกลับมาแล้วไปทำไมก็อยู่ที่นี่ไปเลยไม่ดีกว่าเวลาอยู่บ้านก็อยากจะออกไปข้างนอกพอไปข้างนอกแล้วก็อยากจะกลับบ้านก็อย่างนี้ไปไปมาๆอย่างนี้แล้วได้อะไรมันไม่รู้จะทำไงเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ อยู่แล้วมันเึดอัดมันดูดเหย็ดรำคารใจต้องออกไปท่านหน่อยพอออกไปแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับบ้านเลยนะเนี่ยมันก็หลอกให้เราไปเรื่อยๆความหลงวิธีที่จะอยู่บ้านได้ไม่ต้องออกไปข้างนอะก็หยุดความอยากออกไปสิอยากไปทําตามความอยากมึงอยากจะไปคงไม่ให้มึงไปกงจะอยู่ตรงนี้ย แล้ ee, วพอความอยากมันหมดนิดมันหมดกําลังมันก็อยู่อย่างสบายแต่ตัวที่สร้างความห ม, ดมุดหงิดลำคานใจก็คือตัวความอยากกของนอกบ้านนี่แหละไม่ใช่ตัวไหนแนละ้วแล้วก็ ay, ตัวที่ทําให้เราอยากจะกลับมาบ้านก็ไอตัวนี้แหละบ อ, อกไปแล้วก็อยากจะกลับบ้านถ้าไม่ได้กลับบ้านก็หมุดหงิดลำคานใจนะเวลาอยู่บ้านก็หงุดหง็ดเวลาไม่อยู่บ้านก็หงุดหงิดจะเอาอะไรกันแน่ ความอยากมันไม่มีวันหมดทาตามความอยากแล้วมันก็จะต้องทําไปเรื่อยๆองค์ท่านเจ้าเอางสอนว่าเรามาหยุบความอยากกันหยุดความอยากด้วยสติยพุโทโธพุโทโธไปเป็นลาอยากจะออกนับบนกวอนงับพุโทโธท่องพุโทโธไปอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องที่อยากจะออกไปถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธกันเดี๋ยวมันกลับเลย ความลืมเมื่อความอยากของน้องมานก็หายไปใจก็สบายอยู่บ้านไไม่ต้องไปข้างนอกแล้วถ้าจะจากาจัดความอยากออกไปแล้วเราอยากทาวรนก็บหมอไปทําไมไปแล้วก็เป็นเหนื่อยหล่าไปแล้วต้องไปเสียงภัยกับอันภัยต่ตางๆบนท้องถนนเสียงภัยกับคนเสียงภัยกับอะไรสารพัดสารเพย อยู่บ้านปลอดภัยกล่าสบายกว่ารู้อย่าออกดีกว่าอยู่บ้านนีกว่าอันนี้ก็เป็นกาอยากดูอยากฟังก็อยากไปดูดูแล้วก็ไม่ขอไม่เห็นแล้วเวลาไม่ได้ดูก็ทุกข์อยากไปอยากมันดีกว่ไม่อยากดูไม่อยากฟังแล้วก็จะสบายไม่มีทางอยากดูอยากฟังแล้วก็จะสบายมันอยากก็กว่ายให้มันดิ้นไป เดี๋ยวมันก็หมดแรงไปมันอยากจะดูแล้วก็อยากไปดูมันอยากจะฟังแล้วก็อยากไปฟังปล่อยมันอยากไปเดี๋ยวมันก็หมดกําลังนีไยถ้ามันออกฤทธิ์ออกเดชสร้างความวุ่นนี้มันขาดใจเราก็ใช้กระติดช่วยพุทโธพุทโธไปอยากปล่อยให้มันก็จะคิดลองแล้ไม่คิดเดี๋ยวมันก็หายอยากล้วต่อไปทนความอยากมันก็จะหมดไป ทำอย่างที่ออกไปก็ไม่ไม่เยี่ยวก็ดูแลออกไปแล้วเป็นเป็นขึ้นเป็นใส่ก่ออยู่บ้านไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านไม่มีไปทํำไมก็อยู่บ้านไปตลอดไม่มีป่าไม่เยีไเ่ไม่ต้องลาบน้ำแต่ตัวไม่ต้องเสียเงินเสียทองจาา่ายค่ารถไถ่ค่าน้ำมันเนี่ยธรรมะมันอยู่ข้างในยังไม่ต้องมีไ ฟ, ฟฟ้าไม่ต้องมี ไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องฟังอะไรตอนดูแล้วมันเป็นฟึ่งเนฟืนเป็นไฟขึ้นมามันไม่ได้เป็นความสงบมันไม่ได้เป็นความสมุขดูโลกดูน้ำดูฟังดูเสียงฟังเสียงว่าเดื๋ยวว่าเกิดตามลงมุ่นวายใจขึ้นมาไปเห็นรูปที่ไม่ชอบใจก็ไม่สบายใจได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจก็ไม่สบายใจ วัดพีมเป็นวัดปฏิบัติจริงๆเขาถึงจะไม่ใช้ไฟฟ้าจะได้ตัดอนันหาอย่างนเดี๋ยวก็ต้องมีทีวีมาต้องมีโทรศัพทนะ์ต้องมีอะไรมีวิทยุมีอะไรต่างๆเข้ามาถ้าไม่มีไฟฟ้ามองมปมืดทุกคนก็อยู่ที่ปฏิติอยู่ที่พักไว้วกนเป็นใจเข้าข้างในนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไป แร ใ, ใจก็ไปหาธรรมะไปหาต่หาทุกข์สมุทัยนี่รูดมากเราเกิดทุกข์ก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากก็ใช้ปัญญาอยุดเพราะว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์อยากไปอยากดีกว่าเพราะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องจากเราไปเมือที่เราทุกข์ตอนนี้ก็เพราะเราไม่มีสิ่งที่เราอยากได้ การที่เราไม่มีก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราแล้วเราไปเอามาเกลี้ยงครั้งเดียวมันก็จากเราไปไปดูเกลี้ยงครั้งมันก็หมดไปไปฟังกี่ยงครั้งมันก็หมดไปไปเกินไปเด็กกี่ยงครั้งมันก็หมดไปถ้าใช้ปัญญาก็จะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สามารถเก็บไว้อยู่กับเราได้ตลอดไม่จะเป็นของเราตลอดเป็นของเราเดียวเดียวขนมเวลา กินนี่ก็เป็นของเราพอ ก, กินปัาบมันก็หายไปหมดแนละ้วกลายเป็นของห้องน้ำไปแนละ้วกินขนมนเรื่อยๆก็ต้องไปต้องไปให้ห้องน้ําะเราก็ไปถ่ายที่ห้องน้ําลถ้าถ้าเราเปิดตาหูจมูกเรี้ยงกายแล้วเลียงใจให้เข้าข้างไหนให้ใจสงบแนละ้วเราก็จะเห็นทุกสมุทัยนี่รอมาเขึ้นมาพัา ใ, ใจและเวลาเกิด ความทุกข์ก็รู้ว่าเกิดจากความอยากแล้วก็หยุดความอยากเนี่ยอย่าไปทําตามความอยากพราการทําตามความอยากมันไม่ได้ทำํำยังไปสู่ความอากทุกข์มันนำไปสู่การมีทุกข์เพิ่มมากขึ้นเราได้อยากได้อะไรพ้อได้มาก็ดีใจเหนียวเดียวเดนียวสิ่งที่ได้มาจะไปก็เสียใจเห็ใจมากกว่าตอนที่ไม่มีให้ ตอนที่ไม่มีก็อยู่ได้ไมเเเ่เดือนร้อนเลยเดือดร้อนก็เกิดความอยากอยากจะมีกับเขาเท่านั้นเองพอหยุดความอยากมีได้มันก็หมดปัญหาไปมัน ก, ก็แต่พอหยุดไม่ได้ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาพอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาต้องมาหวงมาห่วงแล้วก็เหลือเน็กที่สุดก็ต้องจากกันทีเอาไม่ไปเราก็ไป อันนี้จะทำให้เราแก้ปัญหาที่ถูกจุดถ้าเราเดินใจเข้าข้างในเราจะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเกิดจากความโง่ของเราที่ไปคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้ให้ความสุกขกับเราถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการให้ความทุกข์กับเราการทําตามความอยากนี้จะพาให้เราไปพบกับความทุกข์ต่างๆการไม่ทําตามความอยากการไม่มีอะไรนี่แหละ เป็นการดั บ, บความทุกข์เป็นการสร้างความสุขให้กับใจถ้าไม่ทําให้ปฏิบัติจะไม่รู้หรอกที่พูดให้ฟังนี้ก็ฟังไปอย่างนั้นเดี๋ยวพอทุกใจขึ้นมาก็ทำตามความอยากทันทีพอใจอยากได้อะไรก็ไปทําทันทีพอได้แล้วก็ดีใจเดียวเดียวแั่เดี๋ยวก็ทุกกับสิ่งที่ได้มา่ะรายอยากได้แฟนก็ไปมีแฟน อได้แฟนมาก็ดีใจแล้วพอต่ อ, อนี้องก็เรา่มมากังวลกับเรื่องแฟนมาห่วงแฟนมาห่วงแฟนเ้าเหลืเวลาแฟนจกไปก็เสีย อ, อกเสียใจือปัญญาต้องคิดอย่างนี้ถึงจะทําทให้หยุดความอยากต่างๆได้ว่าการอยากได้สิ่งต่างๆนั้นเป็นการไปหาความชุกไม่ใช่ไปหาความสุขการจะหาความสุขก็คือต้องหยุดความอยาก ไม่ทำตามความอยากพราะถ้าไม่ทำตามความอยากได้แล้วความทุกข์จะไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์ก็จะมีแต่ความสุขนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเนีเรื่องของการดึงใจให้ อ, ออกจากโลกเสียงเก่งเพื่อจะได้ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะอยู่เป็นปกติสุข มันที่ตอนนี้ย่าน อ, อยู่นั่งอยู่ที่เฉกันได้ว่าตอนนี้ไม่มีความอยากลุกกันถ้าเกิดมีความอยากลุกมันั่งไม่ได้ะตอนนี้ยังไม่มีแตไ่ไม่ได้แสดงว่ามันหมดเพราะว่า ต, ตอนนี้มันมันยังไม่อยากลุกตอนนี้ยังอยากนั่งฟังอีกก็เลยไม่ลุกถ้าเกิดอยากจะลุกขึ้นมาแล้วนั่งนั่งต่อไปไม่ได้แล้วหดเก็นต้อคายใจขึ้นมา ถ้ามันหมดุดหงิดลองขานใจก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงความอยากจะลุกพออยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวก็เลยอยากจะลุกก็นั่งต่อไปไนดะ้ต้องขยันพุโทโธนะถ้าอยากจะทําใจให้สงบทําใจให้ไม่อยากนีต้องขยันพุโทโธต้องหวันพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เนี่ยว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุข มันเป็นฉกปลอมฉกหนิวเดียวฉกที่มีความทุกข์ตามมาอย่างมากมายล้ววั น, นี้ที่เราทุกข์ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับเรื่องของของที่เรามีทั้งนั้นมีเงินมีทองพอสูญเสียเงินทองไปก็ทุกข์เลคนที่ไม่มีเงินทองเขาเห็นเขาทุกข์เลยเพราะก็ไม่มีอะไรต่อสูญเสียขอทานก็เป็นทุกข์กับเรื่องการสูญเสียเงินทองเพราะเขาไม่มีเงินทองที่จะสูงเสีย เขามีแต่ความเกี่ยวกับการอยากจะได้เงินทองถ้าก็ฉลาดหะว่าอยากไปอยากได้มานะได้มาแล้วเดี๋ยวยังต้องทุกมากกว่าตอนนี้ซิตอนนี้ไม่มีก็ทุกข์แบบตอนที่ได้มาแล้วเสียไปนี่จะทุกมากกว่าเราจะเห็นทำได้ เ, เห็นนารยาศ า, ศาสตร์ได้เราต้องเข้าข้างในต้องดึงใจเข้าข้างในพอใจเข้าข้างในนะั้นจะเวลาเกิดความทุกขึ้นมาจะเห็นเลยว่าเกิดจากความอยาก เวลาดับความทุกก็เห็นเลยว่าเกิดจากปัญญาว่าเห็นว่าการทำตามความอย่างนี้เป็นการนำประสบความทุกข์ไม่ใช่นำประสบความสุขก็จะเลิกอย่างบ่นหยายอย่างเวลาไม่มีความอย่างนั้นก็อยู่สบายไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีก็ได้ ถ้าร่างกายมันตายไปใจก็ไม่เดือดรอนเพราะไม่มีความอยากให้ร่างกายอยู่มันอยากจะตายก็กว่าจะตายไปที่เราเดือนรอนกันเพราะเรายังอยากให้ร่างกายอยู่กันเมื่อร่างกายจะตายนี่โอทุกกันมากทรมาร์ตเพราะไม่อยากให้มันตายอยากให้มันอยู่แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็เฉยๆอยู่มันได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปเท่ากัน ขนเท่ากันทางจิตใจแต่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการอยู่หรือการตายของร่างกายแทนแทนเราอยากจะมาพบกับความสุขที่แท้จริงมาหยุดความทุกข์ต่างๆเราต้องดึงใจเข้าข้างในต้องปิดทวาทั้งห้าตาหูจมูกเข็มกายแล้วก็ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบแล้วก็สอนใจว่าการทําตามความอย่างเป็นการ เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากไม่มีความอยากแล้วก็ความความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีการมาเกิดแก่เจด็จตายก็จะไม่มีที่มาเกิดก็เพราะยังมีความอยากยังอยากหาลูกเสียงเก่นงนดอยู่ก็เลยต้องมีตาหูจมูกเล่นกายก็ต้องมามีร่างกายเพราะร่างกายมันมีตาหูจมูกเล่นกาย เพีนงกลับมาเกิดกันเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเดราัฉานบ้างถ้ายังไม่หมดกรรมก็ไปเป็นเดลาจานก่อนถ้าหมดกรรมก็มาเป็นมนุษย์ต่อมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบาปสร้างกรรมได้ให่สร้าง ก, กุนได้ใหม่แล้วตายไปก็ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปกันหน่เป็นว่าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคา ส, สอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราหยืดความอยากเพราะความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ใจนั่นเองการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ใจไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขใจหยุดความอยากได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจทางมาก็จะไม่มีอะไรต้องทุกข์ด้วย ไม่มีเงินทองต้องทุกข์ด้วยไม่มีครอบครัวต้องทุกข์ดไม่ต้องมีอะไรต้องทุกข์ด้วยทุกข์อยู่ที่การเป็นมีอะไรต่างๆมีแล้วก็ต้องทุกข์เพราะอยากจะให้ไม่จากออกไปแต่ของทุกอย่างมันต้องจากออไปพอมันจากไปก็ทุกข์เวลายังไม่จากก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่าด้วว่าจะต้องจากแต่ไม่อยากให้จาก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 ให้ความต้องการอยากได้อะไรก็ไปทำขาดอะไรอยากได้อะไรก็ไปหามาหามาแล้วก็กลายเป็นกองทุกขึ้นมาเราจะต้องห่วงต้องหวงต้องวิจอต้องกังลวลแต่ก็ต้องเสียออกเสียใจเวลาพลาดพลาดอากกันดังนั้นเราได้มาพบกับวิธีแก้ความทุกขแล้ววิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วขอให้เรานํามาไปใช้เถิ ไปปิดตาหูจมูกริมกายไปอยู่วาดกันแไปรักษาศียงแตกกันแล้วก็ไปกดสติพุทโธพุทโธเพื่อทําใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดว่าการทําตามความอย่างนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขกันเราความสุขที่เราได้รับมันเป็นความสุขชั่วคราว ความสุขที่เราได้รับจากดับรูปเสียงเกล็ดนสดนิ้หนึ่งเป็นความสุขช่วงคราวเวลามันหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราทําอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าเราก็จะดับความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆได้หมดใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่อีกต่อไปจะมีแต่ความสุขเป็นบังลมสงบบังลมสงบขึ้นแปลว่าสุขแท้ เป็นสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเหมือนกับความสุขที่เราได้แล้วจากลูกเสียงเกล็นนดนสดอันนี้เป็นความสุขชั่วคราวแต่ความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่ได้จากลูกเสียงเกล็นนดนสดนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเรา เ, เราก็ต้องจับ ก, กันฉะนั้นขอให้เรามีศรัทธามีความเชื่อ ในคำสอนของพระพุทธเจ้ารัพยายามปฏิบัติกันให้ได้ต้องต้องปฏิบัติเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้เราอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เสียเวลามาสอนโวกเราให้เหนื่อยไปเปล่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกโวกสัตว์ในราชานี่ปฏิบัติไม่ได้ท่านึงไม่ไปสอนโวกสัตว์ในราชา ท่านมาสอนมนุษย์อย่างพวกเราเนี่เพราะท่านรู้ว่าพวกเราปฏิบัติได้ดงนั้นเราอย่าไปปิดกั้นตัวเเองเราไปคิดว่าโอ้เราไม่มีวาสนาเราไม่มีบุญเ ร, เราปฏิบัติไม่ได้อันนี้มันเป็นความคิดของกิเลสมันไม่ต้องการให้เราปฏิบัติกันเราต้องมองคนอื่นที่เขาปฏิบัติได้ว่าเขาเป็นใครก็ต่างจากเราตรงไหนเขาก็มีอาการ32เหมือนกับเราเลยเต่าหูเจ็บ ในผมขนเลยฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันเขาปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติได้เขามีเกเระเหนือนเราเขาปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติได้เขามรู้ได้เราก็บรรลุได้เราต้องคิดอย่างนี้แล้วเราถึงจะอเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติถ้าเราไปมองว่าโอ้เขาเก่งกว่าเรา้องดีกว่าเราเขามีบุญมากกว่าเราเราไม่มีวันหรอกที่จะปฏิบัติไดเราจะไปรู้ได้อยง เรายังไม่ได้ลองปฏิบัติเลยเพีไปคิดก่อนได้ก่อนคิดอย่างนี้ก็เป็นการปิดกั้นตัวเองเหมนเด็กที่เข้าโรงเรียนพอนอเริ่มตอนหนึ่งไปมองคนที่จะปริญญาก็บอกโอ้ยเราคงไปไม่ไหวนะถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะไปโรงเรียนแต่ถ้าคิดว่าเขาก็เริ่มที่ปอหนึ่งแล้วนะ เ, เขาก็เรียนไปเรื่อยๆออ 2, เดี๋ยวข้าขึ้นปอสองเดี๋ยวข้าวขึ้นปอสาม เราก็เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ขึ้นปสองขึ้นปสามไปเองแหละเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราปฏิบัติได้เขาก็ทําบุญแล้วก็ทําบุญ ก, ก็รักษาศีลเราก็รักษาศีลตอนต้นก็ล้มลุกคลานทาบ้างไม่ทาบ้างขานบ้างเกินบ้างต่อไปก็ทําให้มันมากขึ้นให้มันสมบูรณ์เสมอขึ้นเดี๋ยวมันก็ได้เองอขอให้ทําไปเถอะ ทำแล้วอยากหยุดรับรองได้มันจะต้องได้แน่นอนช้าไม่เร็วฮค่นี้แต่ถ้าไม่ทําเลยตองเริ่มต้นจะทําก็บอกว่าทาไม่ได้นะอย่างนี้ก็จบละอย่างนี้เป็นพวกพวกปททะปนะัณละเนี่ยเป็นพวกที่สอนไม่ได้สอนไปก็เสียเวลากำ mm hmm. หนพวกเดรัจฉานนี่เวราฉานก็สอนไม่ได้แต่เดราาัจฉานไมไาาน่สอนไม่ได้จริง เพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะฟังภาษามนุษย์ได้เขาไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจของหลักธรรมศาสนได้พวกเรานี่ฟังแล้วเข้าใจสามารถนําออกไปปฏิบัติได้ดังนอย่าให้ความคิดแบบนี้มาหลอกเลาเราต้องคิดว่าคนอืกก่นเขปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัติได้เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็เป็นมนุษย์เหมือนเขาเขามีกิเลสกัญหาเหมือนเราเราก็มี เราก็มีกิเลตัณหาเหมือนเขาไม่ต่างกันเลยเขาขยันเราก็ขยันได้เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเราคิดอย่างนี้นะเราก็จะปฏิบัติแทนได้แล้วาเราปฏิบัตินะเดี๋ยวเราก็ได้ผลกันเองปัญหาขปงพวกเราตอนนี้อยู่ที่เราไม่ปฏิบัติกันอยากได้ผลแต่ไม่อยากปฏิบัติ พอปฏิบั t นี้ปฏิบัติหน่อยก็ยกธงขาวแล้วอ้อยไม่ไหวแล้วไม่ไปอยู่ว่าทักถามมันก็จะตายใช้ไหมถ้าหยุดดูรูปเสียงเก่นงนิดสักพักนี้ก็ไม่ไหวแล้วอันนี้เราต้องอย่าไปปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องฝึกสติให้มากมากอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงเก่นองนิดอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วเราก็จะทิ้งมันได้อยู่ห่าจากมันได้แล้วพอเราอยู่ห่างจากมันเราแห็นว่าสบายขึ้นอยู่ใกล้มันแล้ววุ่นวายพอไปอยู่ห่าจากสิ่ต่างๆแล้วใจจะสบายไม่มีเรื่องมาลบกวนใจก็จะเห็นว่าทุกข์ไม่เกิดจากการที่ไปยุ่งกับเรื่องรุ่เรื่องราวต่างๆนี้เองพอแยกออกไปอยู่คนเดียวไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆก็หายไป ความเย็นใจความสบายใจกระบากุดขึ้นมาต้องพยายามปฏิบัติกันทุกคนที่ปฏิบัติได้นี่เขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยตอนต้อนก็คิดว่าปฏิบัติไม่ได้กันแต่พอเราปฏิบัติเข้าจริงๆก็ปฏิบัติได้เวลาเราเกิดมาตอนที่เป็นเด็กทารกเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเดินกันได้ไม่ยืนกันได้ตอนเป็นทารกก็มีแต่คลานอย่างเดียว แต่ปอมันพยายามขึ้นหัดยืนมนเดี๋ยวมันก็ยืนได้พอยืนได้ก็หัดเดินก็เดินได้เดินได้หัดวิ่งก็วิ่งได้มันไปเป็นขั้นเป็นตอนของมันขอให้เราทํำมันเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นได้ก็หัดทําบุญทํางทานอย่าหัวเงินหัวทองอย่าใช้เงินทองไปในทางที่ไม่ดีอย่าใช้เงินทองไปซื้อรูปเสียงเกตุเอาเงินมาทําบุญ จะได้ตัดสะพานของสิเลตไม่ให้มันไปหาความสุขทางใจหูจะหมดเรื่นงการต้องบรรยากาศเป็นความทุกขึ้นมาไปลางเงินทองไม่มีอยากจะดูอยากจะฟังก็ไม่มีเงินทองไปซื้อมาดูมาฟังก็จะการเป็นความทุกข์ขึ้นตัดสะพานเลอกใช้เงินทองซื้อความสุขเอาเงินทองไปทําบุญแทนอยากจะมีความสุขก็มารักษาเี้นตัดมาเลื่อนสมานใหกัน เราอย่างนี้ดีกว่าเราเร า, เราก็จะทําได้ต่อไปพอเราสาธิสิทธิได้นั่งสมาธิได้เดี๋ยวใจก็สงบถ้าขยันพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆวันทั้งวันไม่ต้องทําอะไรพุโทโธมันไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงรูปเสียงเกิดหมดใหอยู่กับพุโทโธแ้วใจก็จะว่างจากความอยากในรูปเสียงเกิดหมด วางจากเรื่องราวต่างๆว่างจากความอยากในสิ่งต่างๆอย า, ากเรื่องราวต่างๆใจก็จะเย็นจะสบายมีคามสุขแล้วก็จะเห็นคุณประโยชน์ของการมีพุโทโธควบคุมใจควบคุมความคิดก็จะไม่ปล่อยให้ใจคิดเหมือนเมื่อก่อนเวลาจะไปคิดถึงลูกเสียงเก่ล ด, ดคิดถึงเงินคิดถึงทองคิดถึงสมบัติข้าวของอะไรต่างๆก็หยุดคิด ถ้ามันมีแล้วมันกยกปวดใจก็ยกให้คนอื่นไปใช่ไหมเป็นได้หมดเรื่องหมดราวพอไม่มีแล้วจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะเย็นสบายยังก็จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปก็จะเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจวุ่นวายเราต้องเชื่อว่าเราทําได้ถ้าเราทําไม่ได้พุทธเจ้าไม่เสียเวลามาสอนพวกเรา ท่านเจ้าดูพวกเดลฉานนี่สอนไม่ได้ท่านยังไม่เสียเวลาไปสอนในราฉานแต่ท่านไม่ยท่านไม่ไม่ไม่ยอมเสียเวลามาสอนพวกเราเพราะท่านรู้ว่าพวกเรานี่ทําได้พวกที่ได้ฟังธรรมท่านเจ้าแล้เกิดศรัทธาขึ้นมาก็ไปทํากันตอนต้นก็ไม่คิดว่าจะทําได้แต่พอลองไปทําให้มันก็ไม่ยากการที่จะเอาเงินไปซือ้อขนมนก็เอาเงินไปทำบุญ อันนี้อย่าเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญพอทำไปก็ดีดีว่ามีความสุขมากมีความสุขมากกว่าเอาเงินไปกินขนมเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปทำบุญกับมีความสุขมากกว่าแล้วเวลาไม่มีเงินก็ไม่เลยคิดอยากจะกินขนมไม่คิดอยากจะเท so like ี่ยวก็ฝืนความอยากเที่ยวได้ฝืนความอยากกินขนมได้พอทำอย่างนี้ได้ต่อไปก็ไปรักษาสิ่งแต่ เข้าวัดได้ไปพุโทโธได้นั่งสมาธิได้ไปใช้ปัญญาสอนใจเตือนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากได้ครั้านี้มันก็จบมไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนการปฏิบัติธรรมของเรื่งนี้ง่ายตรงไปตรงมาขอให้ผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเท่นี้ ดผลเนื่องจากก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุมโมทนาให้ผ่อนยะวาเรกว่าาภุราปะริภุริเตสังฆเอวเมวะอิโตจินงังเบตานางังอุปกรารปติอิชิตังปัญชิตังตุมหังเกิดเมวะสมิจโต สัพเพริโตสังกปายันโทปนาระโสยถามะนิโชติรัสโสยถาสัพพิติโยมิวัจัตุสัพพารุโขมนณสตุมาเตภวตวันตาบายูสุขีทีคาโกภวะอะภิวัธนสีริศะนิจจมุธาปจายโน ยาตาโรธรรมวัฏฐานติปายุวโนสุขังภาลุเวลาฟังเพลงกับคุณอาจารย์เพลงก็ไม่มีไฟฟ้าเพลงก็จุดเทียนจุดเทียนจุดธูปหน้าพระประธานก็พอนะเวลาแสดงธรรมไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาหมายได้ยินเสียงก็พอ วัดป่าไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่จัดเป็นแลาฟังคำว่าฟังกันอยูเที่มืดๆมีเทียนอยู่ดอกนองดอกจุดอะไรนนเแต่บรรยากาศมันมเงียบมันสบนงบเลยฟังแล้วมันสบายฟังถ้าไปอยู่ที่มีไฟกลูไฟ ฟ, ไฟฟ้าเปิดพัดลมดังลั่นไปหมดเสียงเท น, นี้ฟังแทบจะไม่ได้ยิน ตังแท็กันไน้นเห็นารเงไห้ัก่แก่เสจเห็การเก่งไหมแล้วเนือต่อไปก็เป็นคิวเราเลยนคิวเราก็ชอบไปกล้ไปรื่ยๆไม่ถึงไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็เป็นๆเป็นเนื้อรู คนรับใช้เราใชนไหมเราใช้ใช้นั่งกายทาอะไรต่างๆแต่คนใช้คนสัามนั่นไม่ได้ตาใจกับมันคนสามเกล้าแต่ไปหาคนใช้คนใหม่ไปเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ต้องไปถ้าไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องมร่างกายให้มันหยุดความอยากของนิติบา มันได้น่ากายม า, มากี่ร่างมันก็ต้องตายทุกร่างได้มาแล้วก็ต้องตายกันอย่างตอนนี้มีร่างนี่ก็เปลี่ยนตัวให้มันตายนะอย่าไปเสียดายอย่าไปโหยเงิแต่อาตายก็เหมือนนอนหลับไปนั่นแหละเวลาเกิดก็เหมือนเกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหลับหลับไม่เกิดก็หลับลหลับพงค์เจ้าไม่ไม่ไม่ไม่มาเกิดเลย เวลาปีเดียวมีเพียงเดียวหลับแล้วก็มีเื่ดนะไม่ต้องมีนาไม่ไม่ต้องมามีร่างกายพอตืน่นเดี๋ยวมัก็ต้องหลับอีกะอมาเกิดแล้วเดี๋ยมันก็ต้องตายยังต้องมาหยุดความอยากกันปิดตาหูจมูกลิ้นกายมานั่งพุโทโธพุโทโธเป็นางใจให้สงบ แาใจจะมีความสุขเ้วก็จะเลิกความอยากได้มีอะไรไ้มใครมีอะไรอยากจะถวยมีแค่นี้เหรอมีใครอยากจะถามอะไรไหม ไม่ใช่ก็อยากทำไม่ได้รังเกียจไม่ทำแต่โอกาสให้ทนี่คือทำถามว่ามาถว่าเราเราเกิดมาทำไมความอยากนั้นเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทำตามวามอยากคือการที่เราเกิดมาทาไมความรู้สึกีของตัวเอง เกิมาเพื่อมาทำในำสิงน่งที่พระพุทธเจ้าทําและสอนมันเพื่อที่จะได้ไม่กล้ามาอีกเป็นไม่รู้ว่าเขาจถูกกล้าไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเราจะไปดูเลยเอา <c oughs> มันมาเกิดก็พกื่มาทําตามความอยากกันมาถึงมาเกิดใแต่ว่าโชคดีมาเจอพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นการทําผิดการมาทําตามความอยากก็จะทําให้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย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 ก็ไม่ต้องวิเวกก็ได้ถ้าอยู่อยู่ตรงหน้าขนมก็ไม่กินมันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นติดวิเวกเลยมันอยู่ได้หเพราะฝ่าความอยากให้หยุดให้หยุดความอยากมันมีพลอฟออฟออเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราไปแบบไปอยู่ทำลำพังหรือเวลาไปปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้มากนะไปได้มันก็ดีมันจะช่วยทําให้เราสร้างกําลังสู้กับมันไงสร้าง คามสงบสร้างในเบคขาเป็นมาพอเรามีความสงบมีอุเบกขามีปัญญาเราก็ต้องไปเจอมันต่อหน้าอยู่ดีจะเรียนรู้ว่ายังอยากหรือเปล่าเ้า อ, อยา ก, ราออยากราเกาาากราหยุดมันได้หรือเปล่าพอเห็นกาแฟนี่อยากคือปล่าหยุดมันได้หรือเปล่าเห็นขนมนี่หยุดมันได้หรือเปล่าอยากหรือปล่าอยากเราหยุดกันได้หรือเปล่า ถ้าเราไปเ ป, ป, ๆๆปลี่ยนวยเวไปฝึกสมาธ่ไปฝึกปัญญานี้พอออกมาเนี่เจออะไรก็อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปเจออะไรทีไรก็ยอมแพ้ทุกทียังไหมเห็นกาแฟก็กยกธงขาวเห็นกันมก็ยกธงขาวถ <c oughs> ึงหรอคือแต่ตอนนี้มันมจะน้อยลงแล้ค่ะมีแต่ว่าในความรู้สึกของเราคือถ้าเราเทียบกับเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันมันเหมือนจะทํายากกว่า แล้วถ้าในชีวิตประจำวันเราตอนนี้เราไม่ได้มีเหงื่ออะไรแล้วไม่ได้มีภาระหน้าที่อะไรแล้วแล้วเราจะมาเราจะมานั่งหาเงินอีกทําไมเพราะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสําหรับการได้มาเกิดอีกก็เถียง ก, ก็ไม่ก็ไปบวชสิถ้าไปได้ก็ไปอยู่ไปเปิดเว่ยไปอยู่ปปวัแต่นะบวชแบบกวนหัวก็ได้บวชอะไรกวนหัวก็ได้ต้องลองแบบไม่กวอ่ โกยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่ันเนี่ยไปยากนะโกยเมันก็ยาวขึ้นมาใหมนะไปยากนะโกยลับมาถึนหลายคนถ้าจากเราวิธีอย่างที่วิธีการที่จะตัดความอยากได้อย่างทวารก็คือเริ่มจากการมีศีลรักษาศีลศีลห้าศีลแปดมากกว่านั้นก็ได้แล้วก็นั่งสมาธิ แล้วถึงจะเกิดปัญญานี่มันจะ็นวิธีการเดียวเลยใช่ไหมคะไม่มีวิธีการอารื่นทางเดียวรับแปะรับเทเลอปแปะเห็นสมาธิปรรัญญาถ้าเรายังไปบวชไม่ได้ตอนนี้เราก็ทําแบบนี้ให้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นเหตุส่งให้เราอาจจะได้ไปบวชก็เหมือนกับถ้าเรายังจบปอนหนึ่งไม่ได้น่าก็ต้องเรียนปอนหนึ่งไปก่อนจนกว่าจะสอบผ่ า, านจะขึ้นปอนสองไป พระอาจารย์ครับสงสัยเรื่องกายกับจิตเลยครับเออ่กายไม่ใช่ของเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งเข้าไปแต่จิตเนี่ยผีพกกีชาเนี่ยเขาก็ตามติดตัวเราไปแต่ก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยผมก็ยังขังแขงอยูมันตกลงแล้วมันยังไงกันแน่สงสัยว่าทั่วจิตไม่ใช่ของเราแต่เขาก็ตามเราไปนะครับครับ เป็นตัวสร้างเราขึ้นมาครับสร้างด้วยความคิดคิดว่ามีตัวเราขึ้นมาคิดว่ามีตัวเราเวลาจิตสงบ ม, มันไม่คิดมันตัวเรามันก็หายไปได้ไหมหม า, ายถึงอะไรไกลเรื่อนี่ตัวเรานี่เกิดจากความคิดเกิดจากความจำแต่ตัวจิตจริงๆมันเป็นตัวรู้ตัวคิดแต่มันไปคิดว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมา แต่จริงๆมันไม่ใช่ของเราใช่ไหมครัเมื่อไม่มีเราจะเป็นของเราได้ครับเวลามันหยุดคิดว่ามันหยุดคิดตัวเราก็หายไปติดมันก็เป็นของมันติดมันก็เป็นเหมือนกับดินน้ํำลมไฟมันเป็นของใครหรือเปล่าติดก็เป็นธาตุดินก็เป็นธาตุดินน้ําก็เป็นธาตุน้ำมันก็เป็นไม่เป็นของใครอย่างนั้นหรอกพระอาจารย์คะ ที่ที่น้องเขาถามนี่หมายถึงกายอยากของเราเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วจิตเนี่ยจิตเราเนี่ยมันยังจะไปเรื่อยๆไปทุกภพทุกชาติเอเพราะมันมีความอยากมันถึไปถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่ไปเป็นที่บางปฏิบัติเรื่องไม่ให้มันไปให้มันอยู่เฉยๆพออยู่ที่แยๆถ้า ม, มันมีความสุขถ้าไปถ้ามันทุกข์มันจะเหน็น <c oughs> เหมือนเหมือนก็ว่าเราเราไปอยาบหรือเราไปยึดติดว่าเป็นของเราแต่จริงๆแล้วถวายได้ก็ไม่ใช่ไม่ในเรื่องของาราต่เปรธรรมนัสตานทุกสิ่งทุกอย่า ง, างเป็นธรรมนัส ต, ตาีไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของร่รงกายไี่ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของจิต น, น, นี้ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของถนน้าออตอนที่เรากจะตายเนี่ย ที่มีสถนการณ์ที่ความ้อ่าบอกว่าตายเราไม่กล้ายาหัวใจเราติดตัวตตัวเร่ตายไม่้ตายไม่ไตายไม่ไดตอยไม่ไดตายไม่ไตาไม่ได้ตายไม่ไไม่ได้ตายไ่ตายไม่้ายไม่ไดตาย่้ตายไม่ได้ตยไม่ไดตายไ่ไายไม่ได้ตยไ่ดตายไ่ไง้ตาย่ตาไม่ได้อย่ไดตายไม่ดายม่ได้ตาม่้ายม่ายไม่ได้ตาย่้ายไม่ได้ตาไม่ายม่ไดายไม่นี้ตาไม่ายม่ไายตายไม่าย่ตายไม่ยมดาไม่ตายไม่ไดากไม่ตาย ก็ไม่ก็ไปตามที่เราฝึกมันไว้ถ้าฝิดมันให้มันไม่ไปมันก็ไม่ไปคือไม่มีไกด์ไลน์ที่มีค่ะไม่ก็ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปไหน่ันฝึกจนั้นทั่มันหยุดมันไม่ไปไหนอ่าม่กดจะไปได้่ียนหมอเวลาเรียนหมอนี่ไปดูหนังสือตอนก็แส็งแข็งก็แบบ ไม่ต้องไปเรียนเลยพอถึงวันใกล้สอก็ไปเปิดังสือดูนี่มันจะทำไดมันก็มีหลายทคเวลาเตรียอยะกแบบใกล้ๆเดินๆก็แบบแต่นันเป็นวิธีทีไมถูกมันไม่ดความรู้ใชมันได้คะแนนแต่ไม่ไม่ได้ความรู้แล้วมันต้องเตียมตัวก่อที่จะไปเข้าสอบมันก็จะสอบผ่านถ้าไม่เตรียมตัวมันก็ ทำไมทักษะถ่ายก็สอบโกงเนี่ยเป็นดูข้อสอบเป็นรูปข้อสอบเข้ามา แ, แต่ควแต่บางคนเขาต้องมีทักษะที่เขาฝึก ส, สเกลก น, นี่อะไรแนี้เขาก็มีวิธีทางลัของเขาแต่เขาก็ทำได้เท่กันทางไม่ไม่มีคลับเราไม่มีทางเดงินไม่มีทางลัดเย่นก็ดีไม่ต้องมาบวนให้เสียวเวลา <c oughs> ตอนี้ขอไปเที่ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไหนหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วก็ไปแก้แล้วไปดูไขมเดืนแอาจารย์ครับเรื่อง พอเรื่องกรรมนะแบบเช่นพระโมคคัลลานะอดีตทิชาเนี่ยท่านเคยฆ่าพ่อแม่แลท่านก็ต้องมารับกรรมตอนที่จะสาเรนะ็จอรร a h k ะแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าอยากจะสหายน้ำดื่มน้าเนี่ยให้ที่ว่าให้พระนวลไปตักแต่พระนวลก็บอกว่าน้ําขุ่นอะไรเนี่ยที่ท่านไม่ให้วัวดื่มน้ําทีนี้สงสัยว่าแบบองค์พุริมานนะครับท่านฆ่าคนตั้งเกือบพันคนนะแล้วก็ ก็สำเร็จอรหันเลยเนี่ยมันก็ว่าท่านไม่ต้องมารับกรรมอนจางชาดุลกรรมที่เกิดในชาตินี้มันผลมันมักจะเกิดจากกรรมที่เราทํำมาชาตดก่อนแต่กรรมที่ทําชาตินี่มันยังไม่มันยังเหมือนกับปลูกต้นไม้วันนี้มันยังไม่ออกผลนะพี่เนี่ยมันตามไม่ทันอ่ามันยังไม่เกิดยังไม่มีเวลาที่จะเกาะตัวเช่นว่าเพราะพัฒกรรมที่ตามส่วนใหญ่จะเป็นกรรมอดีตชาดุอหรือบุญก็เช่นเดียวกัน บุที่เกิดกับเราผลที่ดีเกิดกับเราก็เป็นคนที่เกิดจากเราทําบุญมาในชาติบุญที่เราทําในชาตินี้มันยังไม่มีโอกาสได้สมบูรณ์ต้องเอากลับมาใหม่แต่บุญบางอย่างบางบ่บางอย่างเมืก็เกิดผนได้เหมืกัแต่มันก็มันก็กระทบเช่นโอ้คนนี้มาก็ยังโดนชาวบ้านก็ถึงเคร่งใส่มัันก็แต่เหมือนก็ว่าเหมือนก็รับน้อยนะแค่โดนหัวแตก เลือกออกแค่นั้นเองแต่เหมือนกับว่าไม่ค่อยสะสมเท่าไหร่เพราะค่าคนตั้งเก้าเกิเก้าลยนะี่อ๋อแต่แต่แตถ้าก็จะเป็นบ้านเนี่ยตงกลับมาห้าค่าการ้อยเก้าสิาเก้ า, าอรับนี่ไม่มากลับกลับมาเกิดนี่จะไม่มีร่างกายให้เขาค่าแต่พระไวยวัฒนะพยายามโป้องพระเจ้พระพุทธเจ้าสามครั้งก็เลยต้องไป ตกนรกเวลาตายแต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้มาปเป็นข้าพระเจ้กลับพระเจ้าเพราะว่าได้บวชมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วแต่หลงไปทางอิทธิฤทธิ์ไม่ได้ไปทางปัญญาพอกลับมาเกิดใหม่คราวหน้ารู้แล้วทางนี้ไปผิดนะอิทธิฤทธิ์ไม่ไปแนละ้วจะไปทางปัญญาแนละ้วเดี๋ยวพระเจ้าก็ทํานายว่ากลับมาครางหน้ามาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นข้าเจ้กับพระเจ้า ผลส่วนใหญ่ที่เราทำในวันนี้มันจะเกิดวันพกหนาานะ้าชง้นนอกจากผลที่เกิดในจิตใจเรานี่เกิดได้ปัจจุบันทันทีอย่งสมาธิจิตสงบก็ได้ผล ท, ทันทีอันนี้เป็นผลปัจจุบันทันทีผลทางจิตใจนี่ได้ ท, ทันทีแต่ผลทางร่างกายนี่ต้องรอเปลี่ยนร่างกายผลที่ร่างกาย น, นี้รับอยู่ก็เป็นผลจากบุญบาป ท, ที่เราทำในอดีต ผลบุญบาปที่เราทําในวันนี้ถ้าเรายังไม่เป็นบรรลุเรายังต้องกลับมาเกิดแล้เวเรากลับมาเกิดเราก็จะมารับผลบุญผลบาปที่เราทํากันในวันนี้ชาญอยู่ส่วนใหญ่นะทางร่างกายนะแต่ทางจิตใจเรารับวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยคทำบาปปั๊บก็ใจก็ทุบร้อนขึ้นมาแล้วทําบุญปั๊บใจก็เย็นสบายมีความส่ามันมีบุญสองส่วนผลสองส่ว น, ส, วนส่วนทางส่วนทางใจกับส่วนทาง ทาร่างกายตรงทางร่างกายนี้บางทีไปทําผิดกฎหมายเขยังไม่จับเราไม่ได้ก็รอดไปไม่ต้องไปผิดทุกข์ติดกรรมแต่ภาพหน้ามัน้อกลับมาใช้กรรมไปค่าเขาเขา<ม>นือชาติหน้ากลับมาแล้วต้องถูกเข้าฆ่ายังบางคนเข้าใจผิดนี่ว่าเอ้ยครูทาบาปแต่คูกลับสบายโกงเงินกงบ้านกงเมืองคูกลับเงํากลับรวย แต่คิดว่าไม่มีผลนะทําทำบาปกรรมได้ดีทําดีไอ้พวกทานิ้วทาแทบเป็นแทบตายกับไม่ได้เลยกรรมีแต่เรื่องมุ่นวายมีแต่ปัญหาเกาะพอชาติก่อนทําเรื่องมามันก็ใช้ชาตินี้ส่วนบุญที่ทําชาตินี้มันยังไม่มีเวลาออกอัดดอกออกผลมันก็ต้องรอชาติหน้าถึงจะมาออกดอกออกผลก็เลยทำให้คนไม่สักดิ์ศรีทาให้ไม่เชื่อบุญเชื่อบากันี่ก็เพราะว่าทํา ทำชั่วอะไรทช่วด้ดีทาชัวได้ดีมีถ่อไปทำดีไม่ได้ดีก็เลยไม่อยากจะทำไงทำชั่วได้ดีได้บางอย่างมันก็ะทำตำรวจตามจับได้ตอนนี้ก็มียุคเท็กบินกันอยู่เนี่ยจิตใจอ่อนแ่ไแต่ยุคนี้โดนจับกันเยอะแยะนะ พระอาจารย์ก็เอ่อที่พวกเราเนี่ยต่างคนต่างมาจากคนละที่หลายจังหวัดด้วยเนี่ยแล้วจะอยู่ก็ก็มารวมกันที่นี่แล้วก็มาฟังธรรมจากพระอาจารย์ อ, อดีตชาตชิชอบของเดียวกันอเอาที่นี่ไม่ค่ะอดีตชาติเนี่ยเาอาจจะเคยทําบุญร่วมกันมาอย่างนั้นหรือความดีส่วนฉันคนละวัดทำคน ล, ล, ละโรงกันด้แต่มันเรื่องเดียวกันชอบทำบุญเหมือนกัน พอถึงเวลาก็มาทำบุญกันก็มาเจอกันแต่ไม่ได้หมายความว่าชาติก่อนเคยทำบุญร่วมกันะชาติก่อนเคยทำบุญแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำบุญร่วมกันครับ แ, แต่ว่าเคยทำบุญเคยชอบทำบุญพอชาตินี้มามีโอกาสมาก็กมาทำบุญคนที่มาวันนี้เป็นพวกที่ชอบทำบุญคนที่ชอบเล่นไพ่ไม่มาหรอกเ <c oughs> พราะพเคยฟังแบบเช่นอุบัติเหตุนะรถยนเนี่ยบางทีตายหมูเป็นทั้งคับรถเนี่ย บางกระแสะข่าวก็บอกว่าเขาอาจจะเคยททำกรรมร่วมกันมาก็เลยมาแล้วันดไม่ได้ร่วมกันแต่ว่าโอกาสมานันมานันว <c oughs> วัดคันเดียวกันต้องกษาว่าต้อเป็นอไม่ตอไปหลย่างแว่ามันเป็ิอย่าไปให้มันเสียเวลา <c oughs> มันมีตัวแป ร, ม, แปรมีอะไร เ, ๆๆเยอะแยะในหมดอะกนที่รับประไร เราจะมาจาับแพชัแชนแกะเนี่ยเสียเวลาเราเปล่า<อ>ใรนู้นรมรวมว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้ก็พออันนี้แน่นอนนะเดีจะจะเกิดขึ้นมาแบบไหนอย่างรายนีรายละเอียดอยไม่สงใจเลยถ้าเราไม่มียามอย่างทราบมือโน้ตจะจ้งางหรือพระโมคคาราใ น, นาท่านอยากทราบแล้วว่า์ชาติก่อนเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไระันนี้มาแล้วเนี่ยก็จะมาตามฆ่ า, าเรา ถ้าเราไม่มียามอย่างชาตก็อย่าไปคิดให้เสียเวลาอาชินใจเอาแค่ปัจจุบันนี่พยายามอย่าไปทําบาปก็พอพยายามทําบุญไปกัแล้วไปแล้วบุญที่สูงสุดก็บุญที่เกิดจากการมาภาวนานี่มาปฏิบัติมันจะทําให้เราได้ยุติการที่จะต้องมารับผลบุญถึงบาปถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วก็หมดไป เหมือนกับ อ, อะไรนะถึงเราได้เรีนรางวัลที่หนึ่งแต่เราไม่ไปขึ้นรางวัลมันก็มันก็หมดไปแต่เราเราเราวยกว่านะั้นเราเรามีเงินรางวัลดีกว่านะั้นเราก็ไม่ต้อไปขึ้นรางวัลนยเราไปทําเป็นหนีค้ค่ะเป็นเป็นหนี้ขายว่าเดี๋ยวมันเราก็ตายไปเขาก็มาจับนะเขาก็มาเอ า, า, าเอาเงันทองยากเอ า, เเ า, เเาไปเลยนะดังนอย่าไปกังวลกับเรื่องอะไรมาก เท่ากับเรื่องจิตใจของเราดีกว่าจิตใจตอนที่เราทุกข์รู้สึกทุกข์ก็ให้รู้วมันเกิดจากอะไรเราหยุดมันได้ด้วยอะไรขันนี้ก็พอระดับความทุกข์หน้าปัญหาต่างๆก็จะหมดไปนิคบอกว่าคือว่าต้นจิตปลายจิตนะแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นปลายจิตเนี uh ้ย มันมันไปคว้าเอาอามณ์เข้ามาแล้วมันไปตรุงเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นมันมันก็ผิดไปแล้วมานกันไปตามตามจเลยแต่ถ้าต้องจิตนี่หมายถึงผจิตจิตจิตจิิตอะไรเนี่ยถ้าถ้าเราจะคอยคอยคอยเฝ้าระวังรักษาไม่ให้มันไหลไปตามกระแส เกิดเป็นจากขุยยานสตวิญญาณแล้วพวกนั้นมาแต่ว่าเรารักษารักษาจิตให้อยู่ตรงต้นต้นไว้เนีายทางเดียวที่จะทําได้คือต้องเป็นอุเบกขามันต้องต้องเข้ากันมีอารมณ์เดียวเลยนะคะไม่ต่างกัก็ต้องใช้พุทโธหนึ่งเข้าไปตอนนี้เราอยู่ปลายจิตกันลูกอะตอนนี้จิตเราอยู่กับ เ, เ<ช>นนื่<ช>อกเขียนเก็บรดมันก็ใช้พวทโธหนึ่งเข้าไปอยู่ที่ต้นจิตแต่พอดึได้ถึงจิตสงบที่อยู่ข้างว่ายางตรงนั้นคือที่เรียกว่าจิติจิตนะคะ ที่สักแต่ว่ารู้เนี่ยให้รู้เฉยเฉยพระเจ้าบอกให้อยู่ที่ถือทีอ่จิตได้ยินได้ฟังอะไรก็ให้รู้เฉยเฉยอย่าไปกรุงแต่งอย่าไปตอบโต้ใครเขาดา่าก็รู้ว่าเขาด่าจบใครก็ชมก็รู้ว่าาชมแล้วก็จบแล้วตรงนั้นจะเป็นมาในตรงนั้นถือว่าเป็นผลถ้าเป็นตรงนั้นก็เป็นผล น, น, นผละ มากก็คือพุโทโธดึงมันเข้าไปดึงจากปลายจิตให้เข้าไปที่ต้นจิตพอถึงต้นจิตก็เป็นมั้งเป็นผลที่จะรักษาให้มันเป็นอยู่ต้องแน่นนะนอกจากสติตัวเดียวมันไม่พอต้องใช้ปัญญาพอสติมันยังไม่ยึดมันยังไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ทําลายความอยากเพียงแต่หยุ ด, ยดมันเฉยต้องใช้ปัญญามาแก้ความอยากที่เกิดจากความหลง Wollen, ที่ว่าทําตามความอยากก็จะมีความทุกขกันใช้ปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์กันไม่ได้เป็นความสุขกันแล้วพอเห็นว่าการทําตามความอยากเป็นทำทุกข์ต่อไปมันก็จะไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดไปหลังจากนั้นจิตก็จะเป็นทีติดิตไปตลอดแต่รู้สักแต่ว่ารู้ไปเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความอยากเห็นอะไรก็รู้จะยินอะไรก็รู้ ไม่มีความอยากให้เสียงนั้นหายไปหรืออยากให้เสียงนั้นอยู่ไปนานๆนะแต่ตอนนี้เราได้ยินเสียงไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆได้ยินเสียงที่ดีก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆนะแต่ถ้าเป็นจิตที่ไม่มีความอยากมันก็จะเฉยๆอุเบกขาตลอดเวลาถ้ามันเป็นอุเบกขาแต่ว่ามันยังมีมันยังมีอารมณ์สุขเกลืออยู่ด้วยแล้วเราออก ออตรงนั้นมาแล้วเราเราช่วยมันมาช่วยเขาที่เจรนาในอริยสัจสี่ระดับนี้ค่ะมันอันก็ยังไม่เข้าถูกเลยว่ามันยังไม่ได้รวมเป็นที่นคะคะตรงนั้นเราเราสามารถที่จะทบทวนอริยสัจสี่อะอย่างได้หร่คะหรือว่าไม่ควรหรือควรที่จะพูดโทรพูดโทต่อไปให้เข้าไปให้เป็นที่อะไะก็เป้าหมายก็คือให้เรามีกําลังที่จะสู้กับ ความอยากต่างๆให้ได้ถ้าเราหยุดความอยากได้เวลาเกิดความอยากแล้วเราไม่ตามตามความอยากได้ปัญหาก็จบมันก็ต้องมีปัญญาต้องเห็นชัดว่ามันเป็นทุกข์เป็ทุกขมันก็ไม่อยากถ้าขึ้นเดือดที่เขาจะมาให้เราเดือดถ้าเรารู้ว่ามันเป็นยาพิษเราจะดืด่มนะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็คิดว่าเออเป็นกาแฟก็เดือดลดเข้าไป ทุกอย่างที่เราไปแตะต้องนี่มนเป็นยาพิษทำงานแต่ลงมองไม่เห็นต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นยาพิษรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นยาพิษอยากไปอยากมันอยากไปแตะต้องมันตอนนี้เรายังไม่เห็นเป็นยาพิษเรายังให้ว่าเป็นขน ม, นมนทีกร่างยมันเนพ่งพร่องลงนเนี่พองไว้พองพวกความหลงหลง นียว่าเป็นเรนเกว่าเป็นขนมที่ไหนนะมันเป็นยาพิษใจก็ทกเวลาไม่ได้กินแล้วเป็นไงเวลาเห็นขนมเวลาอยากกินขนมแล้วกินไม่ได้หมอบอกอยากกินห้ามกินน้ําตาลสูงแล้วก็มีวิธีนี่ก็กินยาลดน้ําตาลด้วยไม่ได้กินมันอีก ใช่มันไม่พี่จะทำให้อุดตับารมีเรามนขึ้นเร็วๆนับแ่แค่สัมผัสเนี่ยคนไม่ดีไม่ดีหจิตคนเดียวสังเกตผู้ชายเนี่ยเอตการเดียวกันอุดตันบามีเขาเยอะกว่ารากครั้งเยเเหตุการณ์เดียวกันแล้วมองภาเดียวกันคนเดียวกันพูดเนี่ยวิธีคิดเขาอ่ะเขาเขาจะมา อีกแบบน mm ึง hmm. อ่าแล้วเขาก็จะไม่โกรธไม่อะไรที <c <c ่ใจเย็นพูดต่อไปได้เรื่อยๆก็ใช้ปัญญาก็ได้ถ้าไม่มีสติก็ใช้ปัญญาบอกว่ามการแสดงการคือห้ามกขาไม่คือห้าไม่ได้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารับรู้นี่ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้บ้านเรงมีไปสั่งให้มันหยุดร้งได้ถ้าเรามองแบบนี้ก็ได้มองด้วยปัญญาก็จะเป็นอุเบกขาได้เพราว่าเป็นไตลัคนะ แต่มีสองทางไม่สติก็ปัญญาถ้ามีปัญญามันก็มันก็ถาวงถ้าสติก็เชื่อถ้าเป็นกฎอะไรตอนเวลานั้นแล้วปั๊กมันก็จะมันก็จะหายเบรคคางก็จ ะ, ะ, ะต่างกันแตพื้นฐานของสองคนมีมมนคนคนนึงคนที่มกกโหเขาควบมันเราไม่ค่อยได้อีกค น, นเป็นคน ก็คือือปัญญากับสติก็ต้องใช้ร่วมแต่ว่าการนั้ก็เป็นการสูกผลนะอรับเป็นของที่เราทำมาพัฒนามาหยุดใจเรานี่จะสูงจะต่ำอยู่ที่สติปัญญาของตัวนี้ไปเวลานั่งสมาธิค่ะเคยลองสองแบบแล้วแบบแรกก็คือตั้งเวลาไว้กับแบบไม่ตั้งเวลานั่งไปเรื่อยๆค่ะ พอเวลาตั้งเวลามันก็จะเจอเปัญหาว่าพอเรากําลังได้ที่กําลังแบบเออจิตค่อยๆค่อยๆคือเริ่มรู้สึกว่าสงบอ้าวเวลานาฬิกาดังแล้วแต่พอเราไม่ตั้งเวลาค่ะเราปล่อยแบบเออแต่นนี้เจะไม่ตั้งละเราจะนั่งเรื่อยๆเพื่อที่ว่านั่งให้ได้นานที่สึกเท่าที่จะทาได้เพราะันกลายเป็นว่าจิตเราก็จะแบบโอ้ยถ ม, มันเท่าไหร่แล้ว มันนานแล้วนะก็กลับมารวมใหม่ก็ยามคิ้มมาเอ้ยไม่เป็นไรเราก็นั่งไปเรื่อยๆสิก็นั่งไปนั่งไปตอนี้มันจะจะใช้วิธียังไงถึงจะปะก็เราไม่ได้นั่งเราเวลาเข้าใช่ไหมเรานั่งเอาความสมบเรไม่ต้องจะตั้งเวลาไม่ตั้งไม่ต้องังนอกจากเรามีภาระหน้าที่ต้องไปทำเวลานั้นก็ต้องตั้งเผื่อเวลาเดี๋ยวมันไปทํางานไม่ทันแต่ถ้าเราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปเวลาไหนเราก็นั่งไป ให้มีเป้าหมายอยู่ที่สติตัวเดียวให้มันอยู่กับสติอย่าให้มันลอยไปลอยมาแล้วมันจะนานไม่นานมันอยู่ที่ตัวนี้แหละถ้ามันมีสติมันก็นานถ้าไม่มีสติเดี๋ยวมันก็เจ็บหรือก็ปวดขึ้นมาเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นมาเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้เขานม่ควรจะเปลี่ยนท่านนะครับเขาจะจ้ามีเวลานั่งมันมีนาฬิกานั่งดูกับเวลาสบายก่อนมันยังรู้ใหม่นะคะ แล้วก็ไม่แล้วก็ควรจะเปลี่ยนท่า น, านั่งให้น้อยที่สุดให้เด็กก็ต้องดูมือนไปก่อนนั่งก็อย่าไปขยับถ้าขยับมันก็เหมือนก็รเริ่มต้นใหม่ะไม่ว่าจะมือไม้ไมอะไรต้งยิ้นห้ามขยับมืมอมเพราต้องพิสูจน์พอต้องการปล่อยวางร่างกายใจจะได้เข้าไปข้างในไนดะ้ในช่วงแรกเราควรจะจัดท่า น, านั่งให้เราสบายก่อนก็ท <ใน S 1> ่า น, านั่งคัดสมาลนี่ต้องบอกขวาทับใจแล้วก็้รื่องคว้าทับใจไม่ได้ ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็นั่งคจจามาแต่ว่าไม่ได้แบบคัดสามาสองชั้นแม่ค่ะแตเป็นคัจจามาหลงๆการนั่งยังไงก็นั่งไปพอนั่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันนะให้มาอยู่ที่สติตัวเดียวไม่ใช่บัดนี้พอมานั่งแล้วเดี๋ยวมันคิดว่าเอ้ยเราน่าจะขยับเปลี่ยนท่านะท่านี้ไม่ดีนะถ้าทํานี้มันก็ไม่ได้นั่งสมาธิมันมันนั่งขยับนั่งกาย นั่สมาธิพอนั่งแล้วแล้วก็ทิ้งร่างกายไ ม, ไม่สนใจเรื่องร่างกายก็ อ, อยู่ที่สติตัวเดียวว่าตอนนี้กําลังคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็ทําแสดงว่าเผอนะไม่มีพุโทโธนะไม่มีสติแล้วให้ดูแค่ตรง น, นี้ะนะตัวเนี้ยดูที่กําลังคิดหรือไม่คิดอยู่กับพุโทโธหรือเปล่าถ้าอยู่กับพุโทโธมันก็จะคิดไม่ได้หรือถ้าใหม่ๆมันยังจะแท่กคิดมาก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียว มันจะมีความคิดแทรกเข้ามาก็ช่างมันแต่เราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆเนี้ยความคิความคิดต่างๆที่แทรกเข้ามามันก็จะหายไปแต่ตอนต้อนมันยังแยกไปได้พุโทโธรั๊บเราไปคิดอย่างนั้นปับกับมาพุโทโธใหม่ไน้แต่ต่อไปถ้าสติเราแข็งขึ้นแข็งขึ้นมันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันก็จะไม่ไป จะท้าให้ทางบ้านเขาทางัทางคำถามเลยใครอยากจะฟังต่อก็อยู่ฟังถ้าใครอยากจะกลับก็กลับได้นะาสบายจะไดไ้ไม่บังคับกันเดีย๋ยาจะอยากจะไปทํเพื่ฟังฟังว่าจที่ห น, นแต่เรายังจะสอนถึงประมาณสิ้นงเพราะเป็นเป็นช่วงเวลา่อนสอนเช้าวันบา่บายสองบ่ายส ถ้ายังอยู่นี่ก็ต้องสอ น, นเลยจะไปทำอะไรได้ไม่สอ น, อนะนอกต็ต้องหนีฮะนี่ไม่ใช่เกลียดันนะไรเป็นระลังนีกับสอนสอนดีกว่ามันมันง่ายกว่า ได้พอ ก, กันหอบพุทให้มันนิ่งปับได้ก็ไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องไปข้างต่อแล้วถ้านั่งพุกเรามีสติให้หยุดคิดปั๊บมันนิ่งแล้วไปใช้ได้ไม่ไม่อาจจะต้องสวดมนต์ก่อนต้องพุทธวุฒิอะไรไแต่ถ้ามันมีสติแล้วมันทิ่งหลักของนี้ไปได้หมดนะถ้านั่งพวบ ก, ก็ใช้สติตัวเดียวหยุดคิดมันก็อยู่มืนก็ อาจาจะนัองสมาธแค่ดับเดินคือสเก็ชัเดินเนี่ยในที่เริ่่สบายแตว่นังได้แบบหรือแบที่ว่พาเราพิจารณาม่่เลื่อรณาเรากสดโดยการเป็นนั่งท่ร้อนหรือเป็นสถานที่ในรูปแต่กลางอาจเป็นการจะทำที่ไม่ถูกด้วยหรือว่าแล้วแต่อ่ะแต่ว so um, um, like ่าเราต้องการอะไรเป็นอย่างสดเพราเราเราเราไม่สบายหรืออะมันก็คือได้ผลเท่ากันใช่หคะก็ นิ่ไม่นิ่งนั่ให้มันเฉียจะรู้ไม่นาจะี่นอเคยน้าเคยน้อยู่คัลไม่น่าสิ่น แต่ฟังนั่นแย่นะแต่วันที่สห้าเนี่ยนั่งเป็นชาก็หลอกไปแล้วเราพลิก้ที่มนอกพิกที่เงนคสามอนสอชั่วโมงเนี่ยมันก็หายไม่ได้ป่าเดียวจะไม่อก็แล้วแต่นเดียวไม่เสร็จก็ป่ายไม่เสร็จไป แต่ถ้าเราฝึกน่สมาธิได้แต่ไปลองฝึกแบบนี้เป็นแค่ที่ร้มีเสียงทำารโกน้ดงเนี่ยมันจำไมไเสียเราเราไม่สามารถไปสัมผัสกันในบได้เมันไม่คือมันเป็นวิธีที่ไม่มนใจนะแต่ทได้ก็ไแต่ว่ามีกทำกได้ด้วยแต่ว่าทำได้ค่เพื่อใ้ก็ที่วิ่กระจำวันเราก็เจอเสียงเป็นเทุกคงเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิ ยังไม่เท้าเลยเียเยี่ยมองไป่นไยไเอต้องไปต้องต้องเดินสต้องเยี่ยมต้องต้องแเจ็บนะจใเวลาวันนี้ค่ะคงทางบ้านนะามเเป็นเป็นคำถามภาษาอังกฤษนะฮะ จากคุณไมเคิลฮะไมเคิลเบิร์ตครับในนนมัสการพระอาจารย์ When your body dies and your mind leaves your body and says for example goes into an animal's body is the mind just the same but constrict to the way of the animal it has entered Am I still the same Why I ask is if the animal's mind returns as human, it must be the same, but just restrict it. But but just restrict it. It may be the same if a mind enters a person who is brain damaged. The mind is still pure, but again restrict it, restrict it where it goes. Uh -huh. Okay. Am I right to, am I right in thinking this way, or am I thinking wrong? It's like a driver when he changes car. If he's got a good car, then he can drive very fast. If he gets a bad car, then he cannot drive fast. t the, the ride, right, the driver is the same driver, but the car that he drives different, different. So he can only do what the car that he drives let him do. the the driver is the same person, but the the car that you drive is different. The body that you have is different. If you have the body of a bird, you can fly. See, if you have the body of a human being, you cannot fly. So it you have to be restricted by the ability of the body that you have. If you have a snake body, then you have you have no feet. You cannot walk. You n know? yeah. you have the Body of a fish, and then you can swim underwater. So this is just the the the body that you happen to have. But your ability, your mind to to do things is the same. But you are restricted by by by the ability of your body. Say if you were a bird and now you have a human body, you used to be able to fly, but now you cannot fly. You know how to fly, but with this body you cannot use it to fly because it's dust. It can't fly. It's like if you have a plane, then you can fly the plane. But when you have a, a car, then you cannot fly the car. But the one who drives the car, the plane is still the same person. Okay. <laughs> กรณีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและน่ากลัวเป็นโรคที่เกิดจากกรรมเก่าหรือเปล่าคะก็มีทั้งกรรมใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่ก็เค ย, เยมากินสารก่อนมะเร็งเข้ามันก็เป็นมะเร็งได้แล้วมันเป็นเรื่องของกรรมที่พระเจ้าบอกว่ า, วามันอาชินตายอย่าไปคิดให้มันเหนื่อยนละยอมรับกรรมไปอย่างเดียวก็แล้วกันจบอย่าไปทํากรรม ถ้าไม่อยากจะรับผลไม่ดีก็อย่าไปทําบาปถ้าอยากจะรับผลดีก็ทําบุญไปแล้วภาพโดยรวมมันจะออกมาอย่างนั้นแต่บางทีทั้งบุญทั้งบาปมันผสมกันก็ได้มีทั้งบุญมีทั้งบาปมาเกี่ยวข้องกันมันก็เลยทําให้มีผลแตกต่างัไปจากละคนไม่เหมือนกันคํถาถามจากคุณฮกกรจะทํายังไง ที่จะไม่เสียใจร้องไห้กับการสูญเสียคนที่รักจากไปอย่างไม่มีวันกลับมาครับก็องฝึกสมาธิทําการให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาก่อนมาแล้วต้องมีการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาผมจะสอนสอนให้ทำสองอย่างนี้ให้ฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่า กิดมาล้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาถ้ามีสองอย่างนี้แล้วก็จะเฉยกับการพัดพากจากกันได้คำถามจากคุณโมนีพระที่ยืนรอบินทบาบะตามร้านขายอาหารโดยไม่ได้เดินไปไหนเลยถือว่าผิดวินัยไหมคะ มันอาจจะเป็นความจําเป็นหรือเปล่าว่าถ้าเดินไปมันไม่มีใครใส่บาตรมันมีใส่แค่ตรงนั้นมันก็ต้องมีอยู่ตรงนั้นเพราะสมัยนี้บางทีคนกรุงเทพเขาไม่ใส่บาตรกันก็จะไปใส่ที่ร้านอาหารกันเราเคยยืนจะบาตรแถวกรุงเทพเหมือนกันถ้าไปเดินตามบ้านตามศอบทอควาไม่มีใครสวนบ้านมาใส่เดินไปมันก็ไม่มีข้าวแต่ถ้าไปที่ตรงตลาดที่เขาขายกันเนี่ยก็มีพายืนเข้าคิวรอกันเลยก็มีญาติโยงเสื้อหาใส่กัน มันก็ต้องมันก็ต้องรอตรงนั้นเแต่ว่าอยากทําเป็นแบบเป็นพาณิชย์ก็แล้วกันเหมือนพารกแบบับคนขายนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นหุ้นส่วนกันเป็นพักจะได้มีคนซื้อของแม่ค้าเออพอได้ของแม่ค้ามาใส่บาทพักก็ ม, ามาืาเก้นราคาเราพักก็เอาเงินไปถ้าทางนี้มันไม่ถูกการมินทบาทนี่เพื่อเลี้ยงชีพเพื่อหาอาหาเลี้ยงชีพ อย่าถ้าอาหารมันอยู่ตรงนั้นมีที่เดียวก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นเราให้ยอดโยมมาซื้อแล้วก็มาใส่บาทพอเราได้อาหารพอกินแล้วเราก็ไปก็แล้วกันอย่าทำเป็นอาชีพค้าขายไปพอได้อาหารมามากเกินไปก็ขายให้แม่ค้าเอาเงินมาแล้วก็รอให้คนมาใส่ใหม่ถ้าอย่างนี้มันไม่ถูกแต่ถ้าทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงเท้าไม่ไม่ไม่เป็นไรถ้ามันกําลังทําให้ทําอย่างนั้น เ, เนี่ยทกรุงเทพในคน เขาไม่ใส่บาตรกันตามบ้านอนะไรอย่นี้เขาไปที่ตลาดกันตอนเด็กนี้ไม่มีใครก็ทําขับข้าวกินกันเลยปัญญ่ก็ไปซื้ออาหารจาเร็ดด้วยที่เขาขายที่ไม่ค้าเขาขายกันก็นนเขาก็จะไปใส่บาตรตรงนั้นกันถ้านเขาก็จะไปวนเวียนมีู่ทางนั้นท่าจะทําให้มันสวยงามหน่อยก็คือพอเขาใส่บาตร ท, ท่านก็เดินไปอีกรอบก็กลับมาใหม่อย่าไปยืนอยู่ตรงนั้นอย่าไปยืนแช่เขาก็กันพอเขาให้แล้วก็เดินไปกลับมาถ้ายังไม่พอใส่ก็เยินกลับมาอีกรอบหนึ เดินไปอย่างนี้กันค่ะจะได้รู้จะได้ออกกําลังกายไปย็นตัวด้วยจะได้อยู่ในสภาพว่าเราได้ได้เดินบินธรบา่าไม่ได้ยืนบินธรบา่าคำถามจากคุณเหมาคนที่มีครอบครัวสามีภรรยาจะสามารถบรรลุทําได้ไหมคะอย่างพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระเป็นปุถุชนทั่วไปโดยปกติแล้วมันมันมันมันรู้ดได้แต่มันยาก เพราะการมีอะไรนี่แสดงว่ามันยึดมันติดอยู่ถ้ามันยึดมันติดมันก็บรรลุไม่ได้เพราะการจะบรรลุได้มันต้องไม่ยึดไม่ติดดังนโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะบรรลุกันไม่ได้มันจะมาบรรลุได้ก็ตามที่รู้จะต้องตาจากกันตอนนั้นก็อาจจะบรรลุได้หรือว่าอย่างไงก็ต้องจากกันแล้วก็เลยตัดได้ตัดใจได้ฟองได้ปล่อยได้วางได้ไม่ยึดไม่ติดได้มันก็บรรลุได้ เรื่องฆร า, าวาสส่วนใหญ่จะบรรลุก็นำบรรุตอนนั้นแหละอย่างพ่อพระพุทเจ้ า, าก็ บ, บรรลุตอนตอนจะตายเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวว่าน้องตายแล้วก็ต้องสละทุกอย่างไปแล้วก็เลยทําใ จ, ใจตัดทุกอย่างไปได้ก็บรรลุได้แต่ถ้ายังไม่ตายก็ไม่ยอมตัดใช่ไหมค <laughs> ำถามจากคุณสายน้ําหากตั้ง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 ตัวปริบาณเงินนี่มันไม่ได้เป็นตัวที่จะวัดความสุขใจของคนทําบุญแต่ละคนที่มีฐานะไม่เหมือนกันอาจาหมายสมมติว่าคนที่มีเงินอยู่พันหนึ่งเนี่ยทําบุญไปห้าร้อยเนี่ยเขาเสียสลับไปต้องครึ่งเลงเขาจะมีความสุขในระดับนั้นแต่ถ้าอีกคนนึงมีเงินหมื่นหนึ่งแต่ทำบุญห้าร้อยเนี่ยเขาเสียสลัไปแค่ร้อยละห้าปอรเซ็นนี้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกับคนที่เสีย คนที่มีแค่พันหนึ่งคนที่ทำบุญห้าร้อยเนี่ยหลายมีเงินพันเดียวกับคนที่ทำห้าร้อยแต่มีเงินหมื่นเนี่ยจะมีความสุขใจไม่เหมือนกันั้นมันจะดูตัวป ร, ปริมาณมเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องดูว่าสัสดส่วนของเงินที่เราสละไปเนี่ยมันมากหรือมันน้อยในความในในในสัสดส่วนที่เรามีที่เราต้องดูร้อยละเท่าไหร่ดีกว่ ถ้าเราสละใบร้ยละห้าสิบเนี่ยไอคนที่สละร้อยละห้าเนี่ยคนสละร้อยละห้าสิบมันต้องมีความสุขมากกว่าคนที่สละร้อยละห้าเปรียบเทียบเหมือนกับอคนที่มีท้องเล็กกับคนที่มีท้องใหญ่เนี่ยคนที่ท้องเล็กนี่กินข้าวจานเดียวก็อิ่มนะคนที่มีท้องใหญ่เนี่ยกินจานเดียวมันไม่รู้สึกอะไรมันนั้งสองั้งสาจานมันถึงจะรู้สึก เคนที่มีเงินมากนี่แสดงว่าเป็นคนที่มีท้องใหญ่ถ้าอยากจะมีความรูม้สึกอีก็ต้องทว่าตามตามปริมาณเงินนะแต่แต่คนที่มีท้องเล็กเนี่ยมันก็ไม่ต้องทาําว่าคนที่มีเงินน้อยแต่แตทําเงินแต่ทําน้อยแต่มันก็ได้ความสุขใจมากกว่าไม่เท่ากันถ้าต่างคนต่างทําน้อยละห้าอย่างเงี้ยสมมติมมว่ามีพันหนึ่งทำร้อยละห้าก็ห้าสิบาทใช่ไหม ก็คนที่มีหมื่นก็ต้องทำร้อยละถ้าร้อละห้าเขต้องทำห้าร้อยถ้าอย่างงี้สองคนนี้ได้ผลเท่ากันได้ความสุขเท่ากันคนที่ทำห้าสิบบาทก็มีความสุขคนที่ทำห้าร้อยก็มีความสุขเหมือนกันแต่ในตัวคนเดียวกันเนี่ยถ้าทําเพิ่มมันก็จะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นถ้าเคยทําว่าละห้าสิบห้าสิบาทนี้วันนี้มาทำร้อยหนึ่งมันจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่มันทำห้าห้าสิบาท ดัน้นมันก็มีสองสองสองวิธีวัดความวัดบุญวัดที่ความรู้สึกใจของเราแล้วก็มีวิธีวัดอีกอันหนึ่งก็คือเงินที่เราทําไปแล้วที่เราจะได้คืนมาชาติเนี้ยอันนี้ก็อยู่กับปริมาณที่เราทําแล้วสมมติาชาตินี้เราเงินไปฝากธนาคารห้าร้อยเงินชาติหน้ากลับมาเราก็ได้ห้าร้อยบวกดอกเบี้ยนะแต่ถ้าชาตินี้เราเงินไปฝากธนาคารห้าพันเนี่ยชาติานหน้าเรากลับมาเราก็จะได้มาเบิกเงินห้าพันบวกดอกเบี้ย อันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยนะอยู่ที่ทํามากทําน้อยสําหรับชาตหน้านะแต่สําหรับชาตินี้ถ้าต้องการความสุขใจนี้ก็ดูที่สัดส่วนของของเงินที่เราเสียไปพอใจะนะคำถามจากคุณวิลาวันหนูเพิ่งเสียลูกชายคนเล็กจากอุบัติเหตุหนูทุกข์และเสียใจเหลือเกินหนูจะทําอย่างไรดีคะ อย่าไปเสียใจเพราะเสียใจก็ไม่แล้วกลับคืนมาทีเราเสียใจเพราะเราอยากจะไม่อยากให้เขาจับไปเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องอยู่กับความจริงเราอย่าไปอยู่กับความอยากถ้าเราอยู่กับความจริงได้เราก็จะไม่เสียใจแต่เราคิดว่าเขาไปแล้วถึงเวลาก็ต้องไปทุกคนเกิดมาแล้วถึงเวลาช้าเรื่อยๆก็ต้องมีการไปกันทุกคนไปแล้วก็ไม่มีใครห้ามได้ อยากให้เขาไม่ไปก็ก็ไม่สบายใจแต่พออยากให้เขากลับมาเขาก็กลับมาไม่ได้ก็ไม่สบายใจแต่พอเห็น hmm. เราต้องหยุดความอยากที่เราเสียใจเพราะเราอยากไม่ให้เขาไปอยากให้เขาอยู่แค่นั้นเองคำถามจากคุณวิไลบางคนกลัวการที่ไปทำบุญที่วัดบ่อยๆแล้วฐานะจะยากจนลง เมื่อมีคนขัดขวางแต่ทำบุญไปเรื่อยๆโดยไม่ใส่ใจแล้วคนที่ทำบุญอยู่จะได้บุญไหมคะคนทำบุญจะได้บุญยิ่งทำเพี่วข่านยากเกิ่มไม่มีเงินเดียวยิ่งได้บุญเยอะเพราะอะไรเพราะจะได้ไปบวชได้ <c oughs> <c oughs> จะได้ไปปฏิบัติธรรมได้จะได้บุญที่สูงกว่าได้หลุดพ้นได้ถ้ายังมีเงินอยู่มันก็จะเที่ยวหาความสุขจากการใช้เงินอยู่มันก็ได้ความสุขแบบ ควาถูกป้องได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องไปหาใหม่นแต่ถ้าเริ่มใช้เงินหาความสุขได้มันก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปบวชได้มันก็จะได้ความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจริงๆเป้าหมายของการทำบุญที่แท้จริงก็คือให้เรายากจนคนที่ไปบวชนี่เขาไม่มีเงินติตโตไปกันสักคนคำถามจากคุณวิไลลักษ การที่เราทําบุญถวายสังฆทานที่วัดกับการไปรอใส่บาทบุญเท่ากันหรือต่างกันอย่างไรคะแค่เงินที่เรอยู่ที่เงินที่เราจ่ายเราบุญถ้าเงินมากจากที่ไหนมันก็ได้บุญมากกว่าจ่ายที่มันมันน้อยกว่าถ้าไปทําบุญที่วัดจ่ายห้าสิบแล้วทำบุญที่อื่นจ่ายห้าร้อยเนี่ยมันก็มันก็ต้องได้มากกว่าอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราบอยจ่ายไป คำ ถ, ถามจากคุณกันบุญกุศลและอาิสง์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับความจริงอา尼สงเนี่ยแล้วประโยชน์ตัวบุญนี่คือความสุขใจมันต่างกันแต่เราเราทำบุญเนี่ยเราได้สองอย่างเดือนหนึ่งได้ได้ความสุขใจจากการทําบุญประโยชน์ก็คือคนที่รับเขงได้รับประโยชน์เป็นเราไปสร้างกุศลให้พระอยู่อย่างเงี้ยก็ได้เกิดประโยชน์มีที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ แล้วก็บุญก็คือความสุจใจที่เราได้เสียสละเงินทองไปสร้างกุฏิแต่ถ้าไปสร้างกุฏิที่วัดมันมีเต็งไปนหมดแล้วไม่มีใครอยู่เงี้ยสร้างไปอ น, นิสงส์ก็ไม่มีสร้างไปแล้วก็การเป็นที่อยู่ของหมาอย่างเงี้ยไม่มีท้ะอยู่กันสร้างไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีอ น, นิสงส์อะไรละมีแต่บุญที่เราได้เสียสละไปเงั้นการก่อสร้างบางอย่างทางวัดาท่านถึงไม่นิยมสร้างกัน เป็นสร้างบสถเนี่ยเขาไม่สร้างกันแล้วเพราะมันไม่มีเอั น, นี้มันไม่มีประโยชน์สําหรับพระป่าพระาไม่ได้ใช้บวถทําพิธีกรรมอะไรแต่พระส่ามีสาลาก็พอแล้วก็เลยไม่นิยอมสร้างบวถกันคําถามจากคุณพุทธการติดสุขสงบในสมาธิถือว่าเป็นกิเลสไหมคะคือการติดในความสุขที่เป็นสมาธินี้ มันจะเป็นเกเลรก็ต่อเมื่อมันทําให้เราไม่ไปพัฒนาขั้นต่อไปก็คือขั้นปัญญาเอาแต่สมาธิอย่างเดียวอาแต่กวารสงบอย่างเดียวไม่เจริญปัญญาเลไอย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิอย่างนี้เป็นกิเรแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิแล้วเราเราเราติดสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆให้มันทํานานให้มันเก่งนี้ไม่ติดต้องทําให้มันทำนานก่อนต้องทําให้มันเก่งก่อน จนถึงพร้อมที่จะไปขั้นปัญญาได้นะเหมือนเด็กนักเรียนที่เรียนจบปสามแล้วเนี่ยยังไม่อยอมขึ้นปสี่สักทีกี่ปีกี่ปีกลับมาก็อยากจะเรียนปสาเพราะชอบครูเนาะติดใจติดอยู่กับครูยเนี้ยไม่อยอมขึ้นปสี่อะอย่างนี้ก็ติดนะเมื่อถึงเวลาต้องขึ้นปสี 4, ก็ต้องไปถ้าไม่ไปก็เรียกว่าติดแต่ถ้ายังเรียนไม่จบก็ต้องเรียนปสามให้ 3, มันจบก่อนถ้ายังไม่จบไปขึ้นปอื่นก็เรียนไม่ได้อยู่ดี เปนยาเรียกว่าติดสมาธิเนือไม่ก็อยู่ที่ว่าเรามีสมาธิให้ติจหรือเปล่าถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่เรียกว่าติดหรอกเราก็ต้องนั่งสมาธิบ่อยๆนั่งสมาธิให้มากๆจนกว่าเราจะมีสมาธิเต็มร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราเต็มร้อยแล้วเรามันไปทางปัญญาถึงเรียกว่าติดหรอกเพราะมันไม่ก้าวหน้าแล้วมันจะติดอยู่ที่ขั้นสมาธิเท่านี้คําถามจากคุณชาติยาอัปปนาสมาธิมีแค่แบบเดียวใช่ไหมคะ ก็มันก็อัปปนากับคณิกะมันเป็นสมาธิแบบเดียวกันต่างกันบางที่นานนิ้งไม่นานถ้ารวมแล้วนิ่งเดี๋ยวเดียวออกมาเรียกว่าคณิกะถ้ารวมแล้วตั้งอยู่นานก็เรียกว่าอัปปนาลแล้วก็มีการนิงเรียกว่าอุปจาระอุปจาระนี้รวมแล้วไม่ไม่ไม่นิ่งรวมแล้วออกไปรับรู้อ่านิมิตต่างๆนี้เรียกว่า เรียกว่าอุปจาวะมีแ้มีมีสมาธิอยู่สามแบบรวมแล้วอยู่ได้เดียวเดียวช่วงขณะหนึ่งก็ถอนออกมาเรียกว่าคันิกะรวมแล้วตั้งอยู่ได้นานเป็นเป็นนาหลายนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีเนี่ยเรียกว่าอัปปนาสมาธิแล้วรวมแล้วไม่ไม่อยู่นิ่งเอามารับรู้ดิมิตไปพบเทวดาไปพบพูดผีปีศา ไปท่องในะโลกท่องสวรรค์อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิคมถามจากคุณอภิวาทผมตั้งใจอธิษฐานก่อนภาวนาถ้าข้าพระเจ้าจะเจริญในพระศาสนาของพระศาสดานี้ขอให้มีนิมิตเป็นมงคลแล้วผมก็นั่งภาวนาพุทโธไปเรื่อยแล้วเกิดนิมิตมีดอกบัวเข็มสีชมพูค่อยๆงอกออกมาจากที่มือที่วางประสานกันอยู่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 เรืไม่ไ <watering>, ด้เป็นตัวประเด็นสําคัญจะมีนิมิตหรือไม่มีนิมิตนี่ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เราบรรลุหรือไม่บรรลุเหตุที่ทําให้เราบรรลุหรือไม่บรรลุต้องมีสมาธิติดทั้งรวงเป็นอุเบกขาแล้วก็มีปัญญาเน้นการมีนิมิตไม่มีนิมิตนี่ไม่สําคัญถ้ามีแล้วไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็บรรลุไม่ได้เน้นต้องเน้นไปที่การเจริญสัต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 ตรงนี้มีาการหยักกระทำยังไม่ไม่มีแล้วนเ น, นี่พยพอแล้วนะการถึงผู้ปรสานผิดจริงอ๋อก็ใครไปอยู่มังา น, นอกทอนที่ยังไม่ได้บวชใครไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศไปจบปริญญาจะอยูที่สหรัฐแบบวิสระที่รัฐแคริฟอร์เนียตอนนั้นยังไม่ได้บวนนะตอนจบแล้วก็ไม่ได้ทํางานก็มาบวชต่อครับพอกลับมาได้อาา่านหนังสือธรรมะก็เลยสนใจก็เลยศึกษา อานพะสีวิรัติก็กำลังปฏิบัติอยู่ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลพอพ อ, พอสมควรก็เลยติดใจก็เลยบวช<ม>บวชกระบวนมาอยู่จำถึงทุกวันค่ะที่พูดอยู่กับหลวงตามหาบัวบวชกับสมเร็จสังฆราที่วัดบวัวรอนักบวชไปอยู่กับหลงตามหาบวชบวชที่กรุงเทพก่อนอยู่ที่วกรุงเทพประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งมแล้วก็ไปอยู่กับลหบ ล, งง ล, บลงตาอยู่ประมาณเก้าพรรษาหลายปีกว่า ไม่ครบเก้าปีแต่ครบเก้าพรรษาออกพรรษาสิบก็มาอยู่ที่วพัทยาหมือพรรษาพรรษาสิบเอ็ดมาก็มาอยู่ที่วัดยา น, นี้จนถึงวันนี้ปีสองเจ็ดถึงวันนี้ก็3ามสิบสองปีแล้ว mm hmm. ประวัติทั้งต้งง่ายๆถาแล้วนะที่ว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิเทเรียรไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ